ลูกสาวสเสียชีวิตอืเราต้องปฏิบัติยังไงคะให้ให้เขาได้ได้บุญเลยที่สุดอ๋อแต่ว่าถูกลดชั้นตายเรื่องเขาไปนะเขาหมดปัญหาแล้วปัญหาอยู่ที่เรามากกว่าปัญหาคือเรายังทุกข์กับเขาอยู่เราควรที่จะทำบุญให้กับตัวเองให้มากกว่าไปห่วงเขา ข้อบุญที่จะทำให้เขานั้นหนึ่งก็ได้ไม่มากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับบุญนี่อยู่หรือเปล่า <c oughs> เราก็ทำบุญไปตามปกติ <c oughs> ใส่บาทรถาวายทานเราอยากจะทำบุญอะไรก็ทำไปแล้วก็ทิ้ดบุญนั้นไปให้เกเขา แต่สิ่งที่เราต้องมาทำให้มากกว่าก็คือมาทำใจของเราให้สบายใจของเราตอนนี้เสียใจเพราะเรายังมีความผูกพันกับเขาอยู่เรายังไม่อยากให้เขาไปเท่าที่เขาไปแล้วแต่เรายังรับไม่ได้เราก็เลยไม่สบายใจ เราต้องยอมรับความจริงว่าทุกชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีวันตายกันทุกคนจะตายเร็วตายช้าตายก่อนตายหลังก็ตายด้วยกันเขาไม่ตายวันนี้เขาก็ต้องตายพรุ่งนี้เขาไม่ตายก่อนเราเราก็อาจจะตายก่อนเขาตอนนี้คือเรื่องของชีวิต ทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้เรายังอยากจะให้เขาอยู่อยากจะให้เขากลับมาอยู่กับเราเราก็จะเสียใจอยู่เรื่อยๆรื่อยยังมีนิทานในสมัยพุทธกาลก็มีแม่คนหนึ่งเสียลูกสาวลูก ลูกไปไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวลูกลูกชายแต่เป็นทารกเพิ่งคลอดมาได้ไม่ไม่นานก็ร้องหม่มร้องไห้นอนกอดศพลูกทุกวันไม่ยอมเอาศพลูกไปไปไปไ ป, ไปฝังไปเผาชาวบ้านเห็นก็สงสารก็เลยบอกเขาว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเขาได้อเขาได้ยินว่าจะมีคนช่วยเขาได้เขาก็ดีใจรีบอุ้มศพของลูกนี้ไปเอ้าพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปกราบทูลว่าได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะสามารถช่วยทำให้ลูกเขาฟื้นได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกอ้อน่ายนิดเดียว ขอให้เธอไปเอาเมล็ดผักกาดมาสักกำรรมือหนึ่งแล้วเราจะช่วยทําให้ลูกของเธอฟื้นขึ้นมาแต่เธอต้องเอาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายบ้านไหนที่มีคนตายนี่ใช้ไม่ได้นะพอเขาได้ยินเขาก็ดีใจว่าจะมีโอกาสทําให้ลูกเขาฟื้นขึ้นมาได้ เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านคนในหมู่บ้านถามเขาว่ามีเมล็ดผักกาดไหมอยากจะได้สักกำมือหนึ่งเพราะไปบ้านไหนเขาบอกว่ามีแล้วก็ถามว่าแล้วมีคนตายในบ้านนี้ไหมเขาบอกมีไม่ปู่ก็ยา่าไม่ตาก็ยา่าไม่พี่กับน้องไม่ลูกกับหลาน ไม่สามีก็ภรรยาไปทุกบ้านก็ได้คำตอบเหมือนกันหมดจนในที่สุดเขาก็เลยเห็นความจริงว่าทุกคนทุกแห่งทุกคนทุกบ้านนี้มีคนตายทั้งนั้นไม่ใช่มีจะมีคนตายเฉพาะที่บ้านของเขาเท่านั้นเองเขาก็เลยยอมรับความจริงได้ เราลูกไปฝังแล้วก็หายเศร้าโศกเสียใจดำเนินชีวิตต่อไปนี่คือสิ่งที่เราบางทีมองไม่เห็นกันเวลาเราสูญเสียอะไรเราคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่สูญเสียเราลืมไปว่าทุกคนที่สูญเสียกันเท่ากันหมด ก็มีเกิดมาเท่าไหร่ก็ต้องมีตายเท่านั้นเยอะด้วยแล้ ว, ลวก็แม่แม่แฟนก็โดนโกงกับสิบล้านมันหนักมากเลยอะตอนนี้อสิบล้านยังน้อยไปคนที่ก็ถูกโกงร้อยล้านพันล้านก็มีเพราะั้นในโลกนี้มันเป็นโลกของการสูญเสียมันมีมันมีทั้งสูญเสียและมีทั้งได้ เพราะว่าถ้ามันไม่มันไม่ได้มันจะไปเสียได้ยังไงมันต้องได้ก่อนมันถึงเสียแต่พวกเรามันชอบได้แต่ไม่ยอมเสียกันพอถึงเวลาเสียก็เลยโวยวายกันทุกคนเนี่ยเสียหมดอะพวกเราทุกคนเนี่ยมีกี่บ้านกี่กี่แสนกี่หมื่น ต, ตายไปไม่มีใครเอาไปได้สักคนมาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวก็ไปตัวเปล่าๆ อ, อะไรไปไม่ได้เลยเงินน้อยล้านถัลนล้านก็ไปไม่ได้สามีภรรยาบุตรธิดาก็เอาไปไม่ไ ด, าาไ ด, เไไได้เอาไปได้แต่ใจใจที่มาด้วยตัวเปล่าๆและไปด้วยตัวเปล่าๆจะไปเอาสิ่งที่เอาไปได้ก็คือความสุขหรือความทุกข์ความสงบหรือความวุ่นวายใจถ้า ไปแบบปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดก็จะไปอย่างสงบไปอย่างสบายถ้าไปอย่างยึดติดอย่างเสียดายอย่างรักยังหวงก็จะไปอย่างไม่สงบไปอย่างทุกข์นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่หลงมาเกิดในโลกนี้แล้วก็หลงมายึดมาติดกับสิ่งต่างๆ ที่เราเราได้รับจากโลกนี้โดยที่ไม่เคยยอมมองเลยว่าของต่างๆที่เราได้มานี่เป็นของเขาให้เรามาเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็จะเอาคืนไปหมดร่างกายของเราร่างกายของพ่อแม่เราร่างกายของสามีเราของภรรยาเราร่างกายของลูกเรา ร่างกายของพี่น้องร่างกายของญาติของเพื่อนเอาไปหมดไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่เราก็ยังหลงคิดว่าเป็นของเราอยู่เหมือนกับเราไปยืมรถเขามาใช้พอใช้ได้สักสองสามวันลืมไปเลยว่าไปยืมเข้ามาเก็บไว้เลยพอเขามาเอาคืนก็โกรธเขา ก็มันไม่ใช่ของเราเราไปยืมเขามาเราพอถึงเวลาจะคืนเขาไม่ยอมคืนเขาพอไม่ยอมคืนมันก็ทุกกันไงใช่ไหมยอมไม่ยอมเขาก็เอาไปเนี่ยเพราะเขามีกำลังมากกว่าเราถึงเวลาเขาจะมาเอาของของเราเนี่ยของที่เขาของต่างๆที่เรายืมเขามาเนี่ยถึงเวลาเขาก็มาเอาคุณจะยอมหรือไม่ยอมเขาก็เอาเงินสิบล้านเขาก็เอา ถึงเวลาเขาจะเอาคืนเขาก็มาเอาไปแล้เวลาที่เราเสียอะไรไปเขาให้เราคิดว่าเขามาเอาคืนไปเนยะของไม่ใช่ของเราถ้าไม่อยากให้เขามาเอาคืนไปก็อย่าไปยืนเข้ามาอย่าไปเอาเขาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอย่าให้มีอะไรแล้วจะไม่ทุกข์เข้าใจไหมพอมีแล้วทุกข์พอมีแล้วหลงพอมีแล้วเกี่อเป็นของเราเลยมันไม่ใช่เป็นของเขา ของยืมเข้ามาทั้งนั้นเน่พอถึงเวลาก็ามาเอาคืนไปก็เสีย อ, อกเสียใจยกันสัพเพธรรมานาตาของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมเข้ามาเห็นหั้มเข้าใจาไหมโดยยังคิดว่าเป็นของเราอยู่มีอะไรเป็นของเราบ้างมีอะไรเราจะเก็บไว้ได้บ้าง เวลาเขาจะมาเอาไปเนี่ยเราเก็บอะไรได้บ้างลองน้องน้องบอกมาเก็บอะไรได้บ้างองคอาจารย์ถ้าเราไม่มีเงินทองใช้เราจะเอาอะไรกินนะคะก็ไม่ได้ว่าให้ไม่มีเงินทองใช้อก็มีไว้กินกับใช้ก็พอจะไปมากไปกันนั้นทําไมเนี่ยมันจชอบมีกันมากเกินไปก็มีไว้กินไม่ใช้ ไม่มีก็อยู่ได้ขอทานทำไมเขาไม่มีทาไมเขาอยู่ได้พระสง์องค์เจ้าไม่มีเงินทองทำไมเขาอยู่ได้เราไม่ยอมอยู่แบบนั้นเองเราอยากจะอยู่แบบมีเยอะๆยิ่งมีเยอะก็ยิ่งทุกข์พอเวลาก็มาเอาคืนไปมันทุกข์มากเราต้องยอมรับความจริง แล้วเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีร่างกายด้วยซ้าไปว่าไหวเงนินเศรร่างกายนี้ไม่ต้องมีก็อยู่ได้แล้วดีด้วย ต, ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายกันรู้เปล่าไม่ใช่ท่านตายหายไปไหนท่านอยู่แต่ท่านไม่ได้อยู่แบบพวกเราอยู่กันท่านอยู่แบบนิดมาทางปลังศูนย์ยังอยู่แบบศูนย์ศูนย์ยางว่าไม่มีอะไร ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีร่างกายไม่มีอะไรเลยนั่นแหะอยู่แบบคนฉลาดเขาอยู่กันแบบนั้นเขาไม่ไปยืมของคนอื่นมาเข้าใจั้ยเราชอบไปยืมเข้ามากันยืมลาบยุดสนเส ร, ริญยืมรูปเสียงกลิ่นรสพอเข้ามาเอาคืนไปก็โวยวายกันไม่ยุติธรรมโดนเข้ากันแก้งว่บ่นไปจิตต่างๆนาะนาะความจริงเราไม่ยุติธรรมเองอะ เราไปยืมเขามาแล้วไม่ยอมคืนเขาอะ่ะพอเขาจะมาเอาคืนก็ไปว่าเขาไม่ยุติธรรมเราไม่รู้จักวิธีอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเราชอบไปยืมข้าวของคนอื่นมาใช้พอใช้แล้วก็ติดไม่ยอมคืนเขาพอถึงเวลาเขาจะมาเอาคืนก็เสียใจร้องหหมร้องไห้ นี่แหละเป็นเพราะว่าเราหลงเนยหลงคิดว่าของต่างๆที่เราไม่เห็นนี่เป็นของเราเห็นไหมยัง mm hmm. ถ้าไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะวุ่นวายใจไม่อยากจะทุกข์ใจอันอยู่แบบไม่มีอะไรตอนต้นก็ให้อยู่ให้มีร่างกายอยู่กับร่างกายไปก่อน แต่ของนอกร่างกายอย่าไปเอาอย่าไปมีเ <Okay. S 1> งินทองมีไว้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เลี้ยงดูร่างกายได้ <Okay. S 1> ส่วนของอย่างอื่นไม่ต้องไปมีมันบ้านไม่ต้องไปซื้อหรอกเช่าเก็อยู่มันก็เหมือนกันใช่ <Okay. S 1> ไหมตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีบ้านทาไมต้องซื้อมันด้วยก็เช่าอยู่มันก็เหมือนกันแหละ ไม่ต้องมีคิดว so ่าซ right. anyway, like so so so ื้อไปแล้วจะมีไงครับซื้อไปแล้วก็ผ่อนไปแล้วก็ขายได้เนี่ยขายได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยหรือยกยกให้เราก็ได้นีไม่ยากเย็นตรงไหนเรื่อหลายคนณไม่มีมีคําถามแยกยิงอยู่ขึ้่ในใจแล้วที่ซืมาแล้วผ่อนมาแล้วก็ไม่ต้องผ่อนนเให้เขายึดไปนั่นมหลมีอะไรล่ะตัวนี้คือที่ทุกใจทุกใจนี่แหละครับผมว่าความอยากที่เขาพูดมาครับ อยกนู่นอย่างไม่นี่เออเ๋ยพอมีแล้วก็ปลุกใจทำไงดีหลงก่อเนี่ยก็อย่าไปมีมันไงเมื่อเวลาเกิดมาคุณมีบ้านมีรถติดมาด้วยหรือเปล่าไม่มีแล้วคุณอยู่ได้เป่าอยู่ได้อยู่ได้กับพับแม่กันเออแล้วคนที่ก็ไม่มีรถไม่มีบ้านเขาอยู่กันได้ยังไงขอทางเขาอยู่กันใต้สะพานทำไมก็อยู่กันได้อ่ะพระสงฆ์อง์เจ้าสมัยพุทธกาลก็มีกุฏิที่ไหน เ้าก็อยู่กันตามโคนไ ม, ม้ตาม่้นตามเงื้อผาพวกพวกลิงพวกสัตว์มนเขานี่มันไม่มีบ้านอยู่มันอยู่กันได้ยังไงมันอยู่ได้แล้วมันอยากพิสดานไปเองใช่ไหมก็เลยทุกข์กันไปเองวิ่งเข้าหาทุกข์เขาจะเราเลยหลงกันหลงคิดว่าเราต้องมีร่างกายมีร่างกายแล้วก็ต้องมีบ้านให้มันอยู่ มีเสื้อผ้าให้มันใส่มีอาหารให้มันกินมียารักษาโรคแล้วก็ต้องมีแบบดีๆราคาแพงๆของธรรมดานี่ใช้ไม่ได้ต้องใช้ของดีของราคาแพงๆนั่นดีมันก็เหมือนกันอนะ่ะข้าวกินมื้อละห้าสิบบาทกับมื้อละห้ายบาทมันก็อิ่มเหมือนกันนะ่ะ เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยกับชุดละห้าพันมันก็เสื้อผ้าเหมือนกันแหละบ้านราคาล้านกับบ้านบ้านเช่ามันก็บ้านเหมือนกันมันหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันหลบภัยอะไรต่างๆได้เหมือนกันแต่นี่ไม่ไม่ได้มันต้องพอมีเงินหน่อยต้องซื้อของแพงๆใช้แนะของถูกๆใช้ไม่ได้นะพอใช้แล้วก็ติด แล้วก็ต้องคอยหาเงินมาใช้ของแพงๆอยูอ่เรื่อยๆพอเวลาไหนเงินทองหาไม่ได้ก็ทุกข์กัน <c oughs> เพราะอยู่แบบถูกๆไม่เป็นละอยู่แบบมากน้อยสัมโดดไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราฮะให้อยู่แบบมากน้อยสัมโดดอยู่แบบถูกๆน้อยๆมากน้อยก็ถูกๆนี่แหละคือไม่ได้น้อยแบบจนกระทั่งขาดแคนไม่ใช่อย่างนั้น คือน้อยแบบพอดีกับความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการเท่าไหร่ก็ให้มันเท่านั้นก็พออย่าให้มันมากไปกว่านั้นตอนนี้ให้มันปิดกั้นอย่าให้มันจนมันกลายเป็นปุ่มไปหมดแล้วให้มันมากเกินไปแล้วอย่างนี้แล้วพอมันเคยให้มันพอมันไม่ได้มันก็ทุกข์อะเนี่ย่ย่าไปกินอาหารแบบนี้ พอต้องลดอาหารลงมามาอยู่แบบภาคนี่อยู่ไม่ได้นะถือศินแปดกันไม่ได้เนยะ <c oughs> ถือสินแปดดีจะตายพวกที่อยากจะลดน้ําหนักเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินไปฟิตเนี่ยไปเสียเงินเสียทองไปว่าไปเต้นร่างเต้นกาให้ให้เหนื่อยไปว่าถือสินแปดแค่นี้เดี๋ยวมันก็ลดท่วมลงนะก่อนนี้มาบวชเป็นภาเนี่สามเดือนถามว่าลดไปกี่กิโลสิบกิโลอืม อช่ใครอยากจะลดสิบกิโมาบวช ก, กันสามเดือนที่นี่กินมื้อเดียวแล้วก็อยู่อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่ทรมานอะไรอยู่วัด น, นี้ไม่มีคน ก, กินกก็เลยไม่หิวกันถ้าอยู่บ้านนั้นคนนึ่นเขากินแล้วก็หิวก็ตังเขาแล้วอยู่วัด น, นี้ถึงแม้จะหิวก็ไม่มีกินมันก็เลยไม่หิวกัน <laughs> ก็รููว่มันหิวก็ไม่ได้กินรู <c> ้ <oughs> อย่าหิวดีกว่า <c oughs> ความหิวมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายรย่างนร่างกายมันไม่หิวหรอกแต่ใจมันหิวมันก็เลยกินกินจนกระทั่งร่างกายบอกพอแล้วพอแล้วมากเกินไปแล้วเอี <c oughs> พวกเรามันไม่เคยจริงจังถึงแม้เป็นชาวพุทธ เกิดมามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาก็ไม่รู้ว่าสอนอะไรก็ทําไปตามธรรมเนียมเขาบอกให้สายบาตก็สายบาตทําบุญก็ทําบุญไปแต่อย่างอื่นไม่ค่อยทําำบอกให้รักษาศีลก็ไม่เอาบอกให้ภาวนาก็ไม่เอาทําได้อย่างมากก็แค่ทําบุญทําบุญก็ทําแบบพอหอมปากหอมคอ น้องทำแบบที่เราทำให้กับกิเลสดูสิ mm hmm. เวลาที่จะเอาเงินทองไปใช้ตามความต้องการของกิเลสนี่เอาไปทำบุญแทนเช mm hmm. ่นอยากจะไปเที่ยวมองนอกเนี่เอาเงินไปเที่ยวมองนอกไปทาบุญแทนอ่าอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าทำบุญแบบเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ทำแบบขอไปทีงง mm hmm. <laughs> ทำทีละร้อยสองร้อ hmm. ยแต่ว่าไป ทำกับกิเลนี้ทำเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วกิเลมันดีที่ไหนนะกิเลมันมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราพอทำแล้วมันติดไม่ใช่แล้วถ้าทำแบบทากับกิเลนแล้วมันจะติดพอเคยไปเที่ยวปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีกพอมีวันหยุดว่อไหนก็อยากจะไปเที่ยวกันแต่ถ้ามาทำบุญนะความอยากเที่ยวมันจะหายไป ทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทาบุญแล้วต่อไปมันจะไม่อยากเที่ยวมันจะอยู่เฉยๆทาบุญมันจะทําให้เรามันอิ่มใจสุขใจเวลาเราได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเรามีความสุขใจอิ่มใจเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวเพราะที่เราไปเที่ยวก็เพื่อไปหาความสุขกัน แต่ความสุขที่เราได้รับจากการทำบุญนี้ jar, มันมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวเราไปเที่ยวกลับมาความสุขหายไปหมดแล้วแต่เราไปทาบุญกลับมาบ้านนความสุขใจยังอยู่อิ่มใจความสุขใจอิ่มใจยังอยู่ยิ่งทำมากเท่าไหร่ม <c ces British imagery> ันย like ิ่งอิ่มยิ่งสุขใจมากขึ้นนเราต้องทำกลับกันต่อไปนี้เราต้องทำทกับกิเลสเราต้องทาแบบทาบุญ เราทาทำบุญนี่ต้องทำแบบทำกับกิเลส <c oughs> แล้วเราจะได้ความสุขมากแล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนเวลาเราไม่มีเงินทองเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราอิ่มใจสุขใจจากการได้ทำบุญ <c oughs> นี่เราไปเที่ยวแล้วมันติดปีหน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีกพอไม่ได้ไปเที่ยวก็รู้สึกขาดอะไรไป นี่คือเรื่องของพวกเราเราทากับตาลปัดกันทำผิดถ้าขับรถก็สวนทางถนนเขาวันเวเราไปวิ่งสวนทางมันก็เลยชนกันแหลกที่เราทุกข์ก็เพราะเราไปชนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ชนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่วิ่งไปตามทางที่เราควรจะวิ่งกันทางที่เราควรจะวิ่งก็คือทําทานรักษาศีลภาวนา แต่เราชอบไปวิ่งทางลาบยศสรรเสริญสุขกันมันก็เลยทุกกันเพราะทางแห่งลาบยศสรรเสริญสุขนี่มันมีเจริญมีเสื่อมเวลาเจริญเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสื่อมก็เสียใจของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันมีขึ้นมีลงลาบยศสรรเสริญสุขนี่มีขึ้นมีลงได้ลาบมาเดี๋ยวบางทีก็เสียลาบไป เกี้นี้บอกแม่ถูกเขาโกงไปสิบล้านถ้าไม่มีสิบล้านก็ไม่มีเงินให้เขาโกงถ้า ม, มีแล้วก็ต้องเสียใช่ไมพอเสียก็เสียใจเราเราวิ่งสวนทางกันแทนที่เอาสิบล้านไปทำบุญแล้วจะมีความสุขใจกลับเอาไปให้เขาโกง ไม่ก็ทําบุญตลอดค่ะไปทุกวัดเลยไปวัดตรงนู้นเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ว่าไม่ทำเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาไอ้สิบล้านนี่มาทํำถ้าสิบล้านนี่ทํามันก็จะไม่มีใครมาโกไปเข้าใจไหมถ้าไม่มีสิบล้านก็ไม่มีใครมาโกงไปถ้าเอาสิบล้านนี่ไปทําบุญก็จะมีความสุขใจมีความอิ่มใจแทนที่จะเสียใจเงินก้อนเดียวกันเสียไป มีเสียแบบดีใจก็มีเสียแบบเสียใจก็มีอย่างว่านิยมเอาเงินมาทําบุญเนี่ยเสียใจไหมแต่ถ้าถูกขโมยไปเนี่เสียใจไหมมันก็เงินก้อนเดียวกันอยู่ที่เรายอมเสียหรือไม่ยอมเสียเท่านั้นเองถ้าเรายอมเสียแล้วก็มีความสุขใจถ้าเราไม่ยอมเสียเราก็จะมีความทุกข์ใจถึงกลับมาที่บอกเมื่อกี้นี่เงบอกว่าเขามาเอาคืนไปของเหล่านี้ไม่ใช่ของเรา เวลาเสียเนี่ยแสดงว่าเขามาเอาคืนไปแล้วถ้าเรายอมคืนไปเราก็จะไม่เสียใจถ้าเราไม่ยอมคืนเราก็จะเสียใจเวลาเราทําบุญเนี่ยเรายอมใช่ไหมยอมเสียเหมือนก็ยอมคืนคืนเข้าไปพอยอมคืนมันก็ไม่เสียใจมันมีความสุขใจแต่ถ้าใครมาขมโมยไปเนี่ยเสียใจเพราะยังไม่ยอมคืน เหมือนสิ่งใดที่เราไม่อยากได้แล้วเรายกให้คนอื่นได้สบายเลยใช่ไนะเพราะเราไม่อยากได้เรายินดีเยี่จเสียนะแต่ของที่เรายังรักยังหวงนี่ใครมาแตะไม่ได้ใช่ไหมใครมาเอาไปไม่ได้เราต้องอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดต้องมองอย่างที่บอกนี่แหละบอกว่าของต่างๆไม่ใช่ของเราหรอก เดี๋ยวเขาก็ต้องมาเอาคืนไปเจ้าของไม่รู้คนไหนล่ะที่เป็นเจ้าของอเวลาเราไปเที่ยวทำไมเราไม่เสียใจนะเวลาเอาเงินไปเที่ยวทำไมเราไม่เสียใจเพราะเรายอมเสียใช่ไหมเพราะเราต้องยอมยอมเสียเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แล้ววิธีที่จะทําให้เราสบายใจก็รีบเสียไปซะจะได้หมดปัญหาไปอย่าไปเก็บเอาไว้ถ้าเราเก็บเอาไว้ห่วงไว้ก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมเสียเดี๋ยวอยู่ดีๆวันดีคืนดีเข้ามาเอาไปโดยที่ไม่มาบอกล่วงหน้าก่อนก็จะเสียใจหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ถ้าอยากจะเก็บไว้ก็ต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยว่าไม่ใช่ของเรานอะของนี่ยืมเข้ามาเนะเดี๋ยววันดีคืนดีเขาจะมาเอาไปเมื่อไหร่ก็เอาไปได้นะ ถ้ามีต้องคิดอย่างนี้มันจะไม่เสียใ จ, mm hmm. จเจ้าสอนบอกให้เราคิดว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราสัพเพธรมาน ต, ตา mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายรับสมบัติข้าวของเงินทอ ง, งตา่างๆคนคนนั่นคนนี้พ่อแม่ พี่เนาะสามีภรรยาลูกๆหลานๆแม้แต่ร่างกายของเรานี่มันก็ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวก็ต้องถูกเข้ามาเอาไปพยายามปล่อยวางให้ได้ตอนนี้มันไม่ยอมปล่อยต่อให้เราพูดยังไงมันก็ยังไม่ไม่ฟังวิธีที่จะปล่อยต้องนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วจิตจิตมันสงบมันปล่อยเวลาจิตสงบนี่มันปล่อยทุกอย่าง อันนี้ถึงเราต้องมาทําตัวนี้ให้ได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้แล้วเราปล่อยได้ทุกอย่างพราะเรารู้ว่าถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วมันจะสุขเหมือนเนี่ยทําบุญเนี่ยทําบุญแล้วสุขไหมเพราะเราปล่อยใช่ไหมเราไม่ยึดไม่ติดแต่บางคนทําบุญก็ทุกข์เพราะทําบุญแบบไม่ปล่อย ทำบุญแล้วก็มาดูไปทําอะไรหรือเปล่า <laughs> ยังเป็นของฉันอยู่หลวงพ่อเอาไปใส่หรือเปล่าหลวงพ่อไม่ใช้หรือเปล่าพอรู้ว่าหลวงพ่อไปให้คนอื่นเสียใจเขาเรียกว่าทําบุญแบบไม่ปล่อยทําบุญเราต้องปล่อยอย่าไปสนใจเราให้ของเข้าไปแล้วเขาจะไปทําอะไรไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเป็นของของเขาแล้วนั่นถึงจะเรียกว่าทําบุญแต่ถ้าทำแล้วไม่ปล่อยสแสดงว่ายังไม่ได้ทําบุญ ยังเป็นของของฉันอยู่ทําบุญแบบนี้เงื่อนไขเหมือ น, นกันไม่ได้ทําใจมันก็เลยไม่สุขแต่ถ้าทำแล้วปล่อย <c oughs> ก็จะไปทําอะไรกันเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเรานะ <c oughs> เราต้องการทําบุญเพราะเราต้องการให้มันไปจากเราเสีิเราจะได้ไม่ต้องมาคอยรอวันที่มันจะมาไปมาถูกพัดภาคจากไปให้มันไปเสียแตงวันนี้ดีกว่าจะได้หมดห่วงไม่ใช่อะไรแล้ว มีอยู่มันก็ยังหวงอยู่เพราะเดี๋ยวมันไม่รู้จะมาเอาไปเมื่อไหไร่งั้นพยายามพยายามปล่อยวางพยายามให้ไปอของของที่ให้ยากที่สุดจะได้บุญมากที่สุดอของที่เรารักมากที่สุดเนี่ยถ้าเราให้ได้เราจะได้ความสุขมากที่สุดเพราะว่าของที่เรารักมากที่สุดมันจะทําให้เราทุกข์มากที่สุด เวลาที่เราเสียไปแต่เวลาที่เราปล่อยไปด้วยความยินดีที่จะปล่อยนี่มันจะสุขมากเพราะมันยกภูเขาคือความทุกข์ที่ทำให้เราหนักอกหนักใจนี้ออกไปพอเวลาเรารักอะไรหวงอะไรนี่มันทำให้เราหนักอกหนักใจแต่เวลาเราเสียนี่โดยที่เราไม่ยินยอมนี่จะเสียใจมากจะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมเสียนี่มันจะสุขมาก ไปเชื่อลองทำดูเลยคุณชอบอะไรคุณรักอะไรรักเงินทองหรอลองลองให้ทีเยอะๆดูเลยบ่อยๆจากสิบล้านสองล้านดูอย่าไปทำทีละพันสองพันเลยมันรูศศศ้สึกมันมันกินข้าวคำสองคำมันกินไม่อิ่มแล้วต้องกินทีต้องกินให้มันอิ่มเลยนะเรื่องของลูกสาวก็เขาไปแล้วเขาไม่ใช่ของเราแล้วะ แต่เรายังคิดว่าเป็นของเราอยู่เราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าคิดว่าไม่ใช่เป็นของเราเข้ามาเรายืมเข้ามายืมลูกของคนอื่นมาเลี้ยงตอนนี้เขามาขอคืนไปแล้วก็ให้คืนเข้าไปแ้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะสบายใจส่วนก็จะไปยังไงนี่มันก็เรื่องของบุญกรรมของเขาแล้วเดี๋ยวลาไปเนี้ สิ่งที่จะไปพาเราไปก็คือบุญหรือบาปที่เราทำไว้ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็พาพาไปจนกว่ากำลังของบุญหรือบาปไม่มีกำลังที่จะดึงไว้ให้อยู่บนสวรรค์หรืออยู่ที่อบายก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมบุญเติมบาปใหม่แล้วเวลาตายก็ไปใหม่เนี่ยชีวิตของพวกเราก็อยู่แบบนี้แหละ ทำบุญกับบาปแล้วเวลาตายไปบุญกับบาปก็จะดึงใจเราไปพอบุญกับบาปไม่มีกำลังที่จะดึงไว้ให้อยู่ในสวรรค์แล้วอยู่ในอาบาลก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จนกว่าเราจะมาพบกับพบระพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ก็มาทำแบบที่พระเจ้าทำมาบวชกันมาชำระกิเลสกันมาตัดความอยากกัน มาอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ที่เรากลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังมีความอยากอยากมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นอยากจะดูอยากจะฟังอยู่ถ้ายังมีความอยากนี้อยู่ก็ยังจะต้องกลับมามีร่างกายอยู่แต่ถ้าเราตัดความอยากได้โดยการเห็นว่าทุกอย่างที่เราได้มานี่ไม่ใช่เป็นของเรา ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็เสียอกเสียใจก็อยากไปมีมันดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าการจะอยู่แบบไม่มีอะไรก็มานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันพอใจสงบแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้พอร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ นี่คือวิธีของพระพุทธเจ้ากับวิธีของพวกเราไม่เหมือนกันวิธีของพวกเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเรายังอยากมีร่างกายยังอยากดูยังอยากฟังอยู่ตรากใดถ้ายังหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายอันนี้มันตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาทาหน้าที่แทนเราก็เลยกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ แล้วเกิดมาแต่ละครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดดีหรือไม่ดีบางทีก็เกิดในครอบครัวรวยบางทีก็เกิดในครอบครัวจนยากลำบากบังทีเกิดมาแล้วก็ชีวิตก็ไปเจอเหตุการณ์เลวร้ายไปอยู่ในยุคที่มีสงครามนี่เห็นประเทศที่เขามีสงครามการเมืองกันไหมอยู่กันไม่ได้ต้องอพยพหนีออกจากบ้านจากช่องไปอยู่ตามอา แคมผู้ลี้ภัยอนาคตก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไปทํามาหากินที่ไหนประเทศก็ไม่มีที่ไปจะไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขาให้เขาก็ไม่รับประเทศของตัวเองก็กลับไปไม่ได้นี่แหละบางทีมาเกิดเจอแบบนั้นก็สวยไปพวกเราชาตินี้โชคดีมาเกิดในเมืองไทยเกิดในเมืองที่สงบสามารถทำมาหากินอยู่กันอย่างมีความสุขครับ เคยแนบเปลี่ยนแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้ตามคําสอนที่พระอาจารย์พูดเนี่ยถ้าเป็นพระจะทำได้แต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ไปไม่ถึงตรงนั้นนะคระเพราะว่าก็ยังยังเรียนวนบุญไหว้อยู่กับโลกความเป็นจริงอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายก็ได้ถ้ายังเวียนอยู่ก็ทําบุญได้อย่าไปทําบาปเวลากรรมมาเกิดก็จะได้กลัมมาเกิดดีแล้วเวลาตายไปก็ไปสวรรค์ คนที่ทำบุญเวลามาเกิดใหม่นี่ก็จะเกิดในฐานะที่ดีกับคนที่ทำบาปในโลกเราเนี่ยมีคนมาสองจากสองแหล่งมาจากมาจากกระบายกับมาจากสวรรค์พวกที่มาจากสวรรค์นี่มาด้วยวาสนาบารามีพวกคนที่ร่ำรวยคนที่อยู่ดีกินดีนี่ส่วนใหญ่มาจากสวรรค์กันพวกที่อยู่แบบทุกข์ยากลาบากนี่เป็นขอทานเป็นคนพิการ โูหนื่ตาบอดนีเป็นพวกมาจากอบายกันเพราะอำนาจของบาปที่ทำไว้มันยังมีติดมากับใจดังน <Yeah. S 1> ั้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ทาบุญนะวันทำบุญใส่บาททุกวัน <Yeah. S 1> แล้วก็รักษาศีลห้าไว้ให้ได้ <Yeah. S 1> อย่าไปเสพใบา ย, ยมุก <Yeah. S 1> เล่นการพ น, นัน <Yeah. S 1> เที่ยวกลางคืน <Yeah. S 1> เศษสุลายาเมาคบคนไม่ดี <Yeah. S 1> เป็นมิร ความเกลียดข้านเพราะการกระทาเหล่านี้จะทําให้เราไปทําบาปเพราะการกระทําเหล่านี้มันมีแต่ดูดทรั พ, พยากรของเราให้หมดไปมีเงินทองเท่าไหร่เป็นเล่นการพนันเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องปลดขโมยเงินทองของคนอื่นจริงๆส่วนใหญ่ของการคนที่เขาเกิดมารวยก็คืออาจศาเชื่ยวเหมือนว่าเกิดจาการที่เขาทาทานไปเยอะถูกไหมครับก็นั่นแหละใช่แต่ว่ามันไม่ได้รวยในชาตินี้คนมันเข้าใจผิดคิดว่า อยากจะรวยต้องทําทานเยอะๆในชาตินี้ชาตินี้ให้โจนเพื่อชาติหน้าจะได้รวยเข้าใจไหมเหมือนพระเวชสันดรเนี่ยท่านทําทานยังทั่งท่านหมดเนื้อหมดตัวแต่พอท่านตายไปท่านก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะคือถ้ามั่นใจว่าชาติหน้าพอเกิดก็ทำไมถ้ามั่นใจว่าชาติหน้ามารใหม่แน่ก็ควรจะก็เหมือนกับคนเชื่อมาษัตประกันไทยหรือเปล่า คนซื้อประกันเพื่อนะเพราคุณรู้ว่าถ้าเกิดเอ่าก็มีบริษัทจ่ายให้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าก็เป็นคนขายประกันเนี่แหละแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยโกหกใครนคนที่เขาเชื่อพระพุทธเจ้านี้ถ้าพระเจ้าโกหกนี้ศาสนาพุทธจะอยู่ถึงตอนนี้ได้เนะคือไร ล, ล่ะคุณก็คิดว่าตายแล้วจบนะครับคิดว่าคิดว่าตายแล้วจบแล้วพวกนี้เป็นพวกดื้อไงพวกอวดเก่งอวดฉลาด ทั้งที่โง่ทั้งที่เป็นคนตาบอดอกลับไปอวดเก่งว่าเก่งกับคนตาตาดียังครอบครัวก็อส่วนใหญ่เขาจะไม่เชื่อว่จาจะจ้างนี่แสดงว่าเป็นคนร่วผมผมต้องมาใส่บาตคนเดียมาก็เดียว่าเขาไม่เอากระแต่เขาไม่มั่นใจประชาชิหน้าก็ต้องกลับมาใหม่อแล้วคนที่ทําบุญมาเยอะทําบุญมาดีแล้วมาเกิดชาตินี้เป็นคนรวยแต่ก็ทําบาปทํากรรมองกิน ทำไม่ดีกับผู้อื่นคือรวยมันคือคือรวยมันรวยได้สองแบบเนีไยรวยจากบุญที่เราทํากับรวยแบบที่เรามาช่อโกงมาทําทําผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายมันมีรวยสองแบบรวยด้วยการทําบาปหรือรวยด้วยเพราะอานิสงส์ของบุญที่เราได้ทํามามันจะรวยต่างกันพวกที่รวยด้วยการทําบาปเวลาตายไปมันจะไปอบายแต่พวกที่รวยด้วยทำด้วยด้วยการ ทำบุญมาอดีตก็ไม่ต้องทำบาปเขาก็ทำบุญต่อนั้นมันมีรวยสองวิธีรวยแบบทำบาปกับรวยแบบไม่ต้องทำบาปถ้ารวยแบบทำบาปมันก็มีผลบาปที่เราต้องไปใช้ต่อในอนาคตแล้วผลบาปจะเห็นในชาตินี้ได้หมครับถ้ า, าเขาหมดผลบาปก็เห็นได้เฉพาะในใจเรานะ เวลาทำบาปใจเราจะร้อนใจเราจะไม่สบายผลบุญก็เหมือนกันเวลาทำบุญแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายจะเห็นตรงนั้นส่วนผลของบาปนี่มันก็ทั้งผลทั้งบุญทั้งบาปนี่มันก็บางทีก็ส่งผลได้แต่อาจจะติดคุกติดตารางประหารชีวิตอันนี้ก็เป็นผลจากการทำบาปเหมือนกัน แต่มันไม่แน่บางทีก็ถูกจับบางทีก็ไม่ถูกจับชเช่นเดียวกับผลบุญบางทีทําความดีแล้วก็มีคนยกย่องสรรเสริญส่งเสริมให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการทําความดีก็ได้หรือบางทีทําดีแล้วไม่มีใครเห็นก็ได้ก็ไม่ได้รับการสรรเสริญยกย่องยินยอไม่ได้รับรางวัลอั น, นผลผลผลแบบนี้มันไม่แน่นอน อาจจะมีอาจจะไม่มีก็ได้แต่ผลที่แน่นอนก็คือความสุขใจความทุกข์ใจอันนี้เกิดขึ้นทันทีทนน ก, ทก็มันมีสาระดับนีระดับทานระดับศีลกับระดับภาวนาถ้าคุณบอกคุณภาวนาไม่ได้เพราะภาวนานี้มันระดับของพระนักบวชน่คนทานไม่ได้ยังไง ก, ก็แค่ทานเนี่ยกับศีลคือศีลก็แค่ศีลห้าศีลขั้นต่ำ ศีลแปคุณก็ทําไม่ได้ครัศีลแปมันก็ต้องขั้นนักบวชทํากันมันถึงแบบมันชาวาพุทธเราถึงแบบมันสองพวกพวกนักบุญกับพวกนักบวชคุณจะเป็นนักบุญหรือ น, นักบวชนะถ้าคุณอยากจะเป็นนักบุญคุณก็ทําทานส่บาปไปทุกวนันรักษาศีลห้าไปคุณก็ได้เป็นนักบุญมีบุญที่ไหนมีงานบุญที่ไหนก็ไปทํามีผ้าป่าก็ถิ่นมีสร้างโบสสร้างเจดีย์สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้นี่เรียวกว่า บ, บุญเช่นนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นนักบุญก็<ม>คุณให้การรักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญให้มากๆรับรองได้เวลาตายไปคุณไม่ไปอบายเพราะบุญที่คุณทํามากกว่าบาปที่คุณทําแต่มันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเนี่ยก็บุญและบาปแต่ละชิ้นแต่ละอันนี้มันอาจจะมีน้ําหนักไม่เท่ากันบาปเนี่ย บาปหนักที่สุดก็คือในห้าข้อนี้หนักที่สุดก็คือการฆ่านะข้อหนึ่งนี่หนักกว่าข้อสองการลักทรัพย์ข้อสองก็หนักกว่าการประอยพืชผิดประเวณนะีข้อสี่นี่ก็เบากว่าข้อสามนะแล้วข้อห้านี่ก็เบาที่สุดก็แบบทำยังไงหลุดพ้นจากพวกนี้ครับก็บอกให้ไปบวชไงก็พอบวชก็เสียหมดไปไม่ได้ ถ้ามันดูดพ้นั้นมันก็ไม่อยากจะเสกเข้าใจไหมที่เขาที่เขาไม่เสกกันก็เพราะเขาดูดพ้นแล้วที่เสกก็พราะยังไม่หลุดยังติดอยู่ยังต้องกลับมายังติดกามอยู่ยังติดกามสุขอยู่ยังติดความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายอยู่ตอนนั้นรับเราล้วงขามอาจารย์เรื่องนั้นตอนขาดใจบวดนี่คิดจะปวดตลอดชีวิตเลยวะครไม่ได้คิดหรอกก็คิดว่าจะไปเรื่อยๆไปจนกายจะไปไม่ไหวแล้วแต่น้ํามันที่เติมมา แต่ก็คอยเติมมันอยู่เรื่อยๆเวลาบวชนี่เราก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆคือคอยปฏิบัติไปอยู่เรื่อยๆกอย็อย่าไปถามเลยขอร้อง <c oughs> เลยมไม่เกี่ยวพูดไปเดี๋ยวมันก็มันไม่ดีมันก็ไม่อยากพูดดีกว <c oughs> ่าถ้าคิดสึกวันนี้ก็คงยังคาไม่อยู่ที่นะใช่ไหว่าไม่ <คง S 1> น่าจะถามเลย ความแย่งขานคำนี่ถ้าทําบุญกับเครื่องสายนะคะคือว่าเป็นคนอาจจะเกี่ยวกับสัตตาอาจจะมากแตที่จะนั่งภาวนาหรือวิปันาเราจะนั้นเก่งๆโยคะทำย่างนี่ยสื่อที่องค์เขียนเนี่ยพยายามจะให้คนเห็นเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของสัตวตาอะไรต่างๆทีนี้เราก็ใช้เวลาตรงนั้นมันก็จะเบียดบางเวลาที่เราจะมาภาวนาหรือพิปัสสนาส่วนตัวเรา ควรจะจัดเขาเรียกสมดุลระหว่างเมตตากับภาวนาวิปัสสนาที่เป็นการเสียเวลามัหมคะอย่างนี้เนี่ยาการที่เราไปช่วยสะไปตักอยเพื่อให้เขาค้นทุกข์อย่างเงี้ยคือการใช้เวลาของเราเนี่ยมันมีประโยชน์ต่างกันอยู่ที่ว่าเราใช้กับอะไรถ้าเราไปตักน้ําเราก็ได้น้ําถ้าเราไปหาเงินเราก็ได้เงินทีนั่อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไร เวลาพอเราทุกคนมีเท่ากันหมดทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่ผลสิ่งที่เราได้รับกลับมาแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันเพราะว่าการหาของเรานี้ไม่เหมือนกันนั้นอยู่ที่คุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการเมตตาสัตว์คุณก็คุณก็ทําอย่างที่คุณทําอยู่นี่ถ้าคุณต้องการหลุดพ้นคุณก็ต้องไปภาวนาคุณจะเอาทั้งสองอย่างมันก็แบบจับใจมันก็ คุณจะช่วยมันได้สักกี่ตัวแล้วคุณจะช่วยไปได้ดานสักเท่าไหร่แล้วสัตว์ที่มันอยู่กันมากี่หมื่นปีกี่ล้านปีแล้วคุณจะต้องกลับมาช่วยกี่หมื่นกี่ล้านครั้งถึงจะช่วยมันได้แล้วช่วยมันทําอะไรช่วยมันมันก็ตายไม่ช่วยมันมันก็ตายเหมือนกันมันก็กลับมาวีนว้ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยเพราะที่มันมาเป็นสัตว์ก็เพราะมันไปทําบาปอะ คุณไปช่วยที่ต้นเหตุไม่ดีกว่าสอนคนอย่าไปทําบาปมันจะได้ไม่ต้องกลับมันเป็นสัตว์กันคุณจะได้ไม่ต้องมาช่วยกันใช่ไหมอ่าก็พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้แหละท่านก็สอนให้ทุกคนอย่าไปเป็นสัตว์กัน <c oughs> ให้มาทําบุญกันนะจะได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมาคอยมาช่วยสัตว์อย่างที่เราช่วยกันอยู่ทุกวันนี้เราไปแก้ที่ต้นเหตุสิต้นเหตุคือการกระทําสัตว์เนี่ย ท่านบอกว่ากรรมเป็นเครื่องจําแนกแยกให้สัตว์เป็นสัตว์ชนิดต่างๆกันไปทําบาปก็ไปเป็นเดรฉ า, านทําบุญก็ไปเป็นเทวดาก็อย่างนั้นอยู่ที่คุณต้องการอะไรละ่ะคุณต้องการช่วยเหลือสัตว์คุณก็ทําไป ค, คือสําคัญคือให้ตัวเองเนี่ยค้นก่อนปฏิประโยชน์ตนก่อนแล้วค่อยประโยชน์ท่านก็นั่นละก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง แต่เจ้าท่านตอนที่ท่านบำเพ็ญท่านไปท่านไปเลี้ยงสัตว์ไปห่วงสัตว์ที่ไหนล่ะท่านห่วงตัวท่านก่อนตัวท่านกำลังทุกข์ตัวท่านยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายท่านต้องการหลุดพ้นจากไอ้ตัวนี้ก่อนท่านก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการพ้นทุกข์ก่อนพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก่อนพอท่านพ้นแล้วทีนี้ท่านก็มาสอนคนอื่นให้พ้นกันสี่สิบห้าปี ท่านใช้เวลาหกปีสําหรับตัวท่านและท่านใช้เวลาสี่สิบห้าปีมาช่วยเหลือคนอื่น <Okay. S 1> พระอาหารหันต์เกิดมาเป็นหมื่นเป็นแสนได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรลนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวจะเกิดขึ้นมาได้เอ๊ะ <Okay. S 2> เราทำไมไม่ยึดแนวถองพระพุทธเจ้าเราท่องพุทธังสนังกรฉามิท่องแต่ปากพอกถึงเวลาทําไม่ได้ทำตามที่เราท่อง พุทธังสนานาังกฉามีคือข้าพเจ้าจยาวพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับในการดําเนินชีวิตเนี่ยแต่ในระดับโลกก็ยังมีต้องมีครูนักเรียนครูสอนวิชา <c oughs> อะไรไปยอย่างนี้ใชะไหมนั่นแหละ ม, มันก็คิดแบบกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละตะกิดแบบทำมันก็ต้องมีก็ได้สมัยก่อนไม่มีครูไม่มีนักเรียนเขาก็อยู่กันได้คนป่าคนเขาก็ไม่มีโรงเรียนทําไมเขาอยู่กันได้ เขาว่าแก่เจ็บตายเหมือนกันพวกเรามีโรงเรียนมหาวิทยาลัยมีปริญญาตีโทเอกมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันมันไม่ต่างกันหรอกสังคมของเราอยู่กันแบบไหนมันก็อยู่สังคมไหนมันก็มีทะาะกันแย่งแก่งแย่งชิงดีกันฆ่ากันฟันกันไม่ว่าจะเป็นสังคมของคนป่าหรือสังคมของคนเมืองที่มีระดับปริญญาตีโทเอกมันก็ฆ่ากันฟันกันอยู่ดี อพาเหตุที่ทําให้มันข่าฟันกันฟันมันไม่ได้อยู่ที่การมีการศึกษาทางโลกหรอกมันอยู่ที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสมันก็ข่าฟันกันทําบาปทํากรรมกันแข่งแย่งชิงดีกันก็อย่างปัญญาเอกทางโลกใช่ไหมคะกับอปัญญาเอกของพระก็ต่างกันเลยใช่ไหมคะก็ควรจะจบ เอกของพระดีกว่าเอกของของออืหมายถึงว่ามหาลัยนี่ค่ะอ่าก็มหาลัยจบแล้วกิเลสหมดหรือเปล่า <c oughs> ความโลภโกรธหลงหมดหรือเปล่า <c oughs> ก็ยังมีอยู่เท่าเดิมดีไม่ดีมีมากกว่าเดิมอกีกคือพี่สาวหนูเขาเรียนจบเขาเรียกตักธรรมเอกในชะ่ไหมฮะอ่ะาก็แสดงเขาเก่งมากใช่ไหมไม่เกงหรอกไม่เก่งนะอันนี้ท <c oughs> ุนศาสนายังไม่ถือว่าเป็นเป็นต้องยังไงฮะต้องปฏิบัติต้องกิเลส อยังไม่ได้เอาไปฆ่าคือก่อนจะฆ่ามันได้ต้องหาอาวุธมาฆ่ามันก่อนการเรียนนี่เพื่อเป็นการศึกษาเหมือนกับไปหาอาวุธมาพอเราได้อาวุธมาแล้วเราก็ต้องเอาไปฆ่ามันอาจารย์คะคำคำว่าปล่อยวางกับหยุดคิดเนี่ต่างกันไหมคะก็ต่างกันปล่อยวางก็ปล่อยวางหยุดคิดก็หยุดคิดมันเหมือนกันที่ไห น, นหทุกอย่างเลยนะค ะ, ะเราอยากกินอะไทุกอย่างเนี่ยเรา เออมันไม่ถูกแล้วเราก็หยุดหยุดกินมันก็ทําให้เราเครียดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าปล่อยวางเนี่ยทําให้แบบเออมันความอยากในใจเกเรมันแบบไม่ทําให้เราเครียดอะค่ะเอาที่มันเครียดเพราะว่ามันยังไม่ได้ปล่อยเนี่ยถ้าปล่อยแล้วมันไม่เครียดง <c oughs> ั้นเราควรจะใช้คาําว่าใช้การปล่อยวางดีกว่าหยุดคิดใช่ไหมคือความคิดนี้มันเป็นเครื่องมือของของเิเลรถ้าเราไปยึดติดเนี่ย พอเราคิดถึงอะไรแล้วมันยึดมันติดมันอยากพอเราหยุดคิดมันก็หยุดหยุดหยุดอยากหยุดยึดหยุดติดชั่วข่าวแต่มันม่ความอยากยังไม่ยังไม่ตายยังไม่ได้ปล่อยจริงถ้าจะปล่อยจริงต้องใช้ปัญญาเช่นอยากจะกินอาหารนี่ให้มองอาหารที่กลายเป็นอุจจาระ<ม>นึกถึงอุจจาระว่ากินกําลังกินอุจจาระอยู่ยนี่มันก็จะไม่อยากกิน ไม่เชื่อลองเวลาเคี้ยวอยู่ในปากแล้วคายมันออกมาดูเลยกําลังอร่อยเนี่ยกำลังเคี้ยวอยู่ในปากแสนเลอร่อยดูหน้าตามันท่าหน่อยคายมันออกมาแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ดูจะกินงงไหมอันนี้ใช้ปัญญาแบบนี้แล้วมันจะไม่อยากกินแต่ทุกครั้งคุณอยากจะกินอาหารคุณไปคิดถึงอาหารอยู่ในจานน้ำลายก็ไหลพอไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในช่วงมันก็จะไม่อยากจะกิน และวิธีใช้ปัญญาแก้กิเลสเข้าใจไหมแล้วคําว่ามังสวิรัติกับอาหารที่ทานโดยที่เป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอ่าอือควรจะจะเลือกไลยนะว่าควรจะเป็นอะไรหรือว่าอาหารเนี่ยถ้ามันเป็นของตายแล้วไม่ต้องมันกินก็มันเหมือนกันหมดอไอ้ที่ไม่ให้กินเนื้อสัตว์เพราะว่าถ้าเราไปฆ่ามันเนี่ยด้วยตัวเราเองเนี่ยเราไม่ควรที่จะกิน แต่ถ้าเกิดสัตว์มันตายแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่นี่เกิดมันตายเนี่ยจะเอาไปฝังก็ได้เอาไปเผาก็ได้เอาไปย่างมากินก็ได้มันไม่ได้ทําบาปแล้วคือไม่ให้ทําบาปเพื่อให้เรามาใช้เป็นวิธีการหาอาหารถ้าเราต้องการหาอาหารหาอาหารโดยวิธีที่ไม่ต้องทําบาปก็คือถ้าเป็นสัตว์ก็อย่าไปฆ่ามันถ้าอยากจะกินมันร้อยมันตายก่อน ปีห น, นที่เขากินเจกันเจ็ดวันสิบวันอะไรนี่นก็ได้บุญจริงๆก็ได้อะไร ก, ไก็ก็วัวควายเมื่อ ก, กินเจทั้งปีด้ยซ้ํำไปมันได้บุญมั้ยเปล่าวัวควายนะ <c oughs> บุญมันเกิดจากการไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเขากินเจแล้วไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่ได้ฆ่ามันมันก็เหมือนกันนะ <c oughs> คุณไปซื้อ เนื้อที่เขาตายแล้วที่ในตลาดเขาขายเงี้ยมันคุณจะซื้อไม่ซื้อมันก็ตายแล้วน่ะเป็นเพงลงที่แบบที่ทํากันเฉยๆมันก็ไม่ได้เกิดบุณคือผลอะไรในการที่ไปกินเจกันเขาเชื่อว่ามันเป็นบุญอ่ะคือความเชื่อคือเขาเชื่อว่าถ้าถ้ากินเจแล้วก็จะได้ไม่มีการฆ่าเงี้ยพระเจ้าก็ไม่ได้กินเจ <c oughs> แล้วสมมติเราไปซื้อปาลาเราไม่ได้ฆ่าแต่เรา เปค็คนสามคนคนขายปลาเหมนกันสั่งก็ดีสั่งให้เขาทําก็ดีทําเองก็ดีก็มีบาปเท่ากันงั <c oughs> ้นหลวงพ่อระวางเราตสายโคาฆ่าปลากับเราซื้อเนื้อที่ตายแล้วก็สรุปว่าซื้อเนื้อที่ตายแล้วมันจะดีกว่าใช่ไหมครับอเพราะว่าเราแต่เราอย่าไปสั่งล่วงหน้านะเช่นรรเราไม่หลวงพ่อเราไม่ได้สั่งล่วงหน้าครับไม่ได้เหมือนพี่เตี่ยวพี่เี้บอกว่าสัง่งล่วงหน้า ไม่สมมติคนคนพ่อค้าขายเข้ามันไก่เนี่ยคุณไปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวอย่างนี้ก็สั่งละคุณ mm hmm. ถ้าคุณจะซื้อไก่คุณก็ต้องไปที่ตลาดแล้วก็เสียงโชคกันถ้ามีไก่ก็ซื้อมาขายถ้าไม่มี ม, มีไก่ที่ค้าแล้วก็ซื้อมาขายได้ทุกวันนี้ผมยังทะเลากับแฟนเรื่องเร่อนอยวนะเรื่องนเนี้ยเนี่ยเรื่องที่ผมไปพูดเมื่อกี้ครับเรื่องว่าระหว่างกินเนื้อกับกินปลาผมณอ่าก็บอกว่าปลาเนี่ยกินเรื่องไม่ได้บาปแต่ว่าเวลาจะไปซื้อต้องสั่งไอ้กค้า แต่เนื้อเราไม่ต้องสั่งให้่าคือจริงเราซื้อได้เลยปลาที่เขาฆ่าแล้วก็มีเนี่ยปลาที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาแช่แข็งมีเยอะแยนะไปคือถ้าซื้อของที่ตายแล้วก็ถือว่าเราไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่บาปแล้วล่ะมันไม่ได้ผิดศีลแต่คนก็จะมาเถียงว่าการไปซื้อของที่กินของเนื้อสัตว์นี่ก็ส่งเสริมให้คนอื่นฆ่าให้เราอันนี้ก็พูดไปก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็ แต่มันจะว่าส่งเสริมแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับเขาอะ่ะเขาอยากจะฆ่าเองเขะอยากจะฆ่ามาขายมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่เรื่องบาปไม่าบาปบาปมันอยู่ที่ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าเท้นสั่งหรือไม่สั่งแค่นี้ขอขอเอาแค่ตรงนั้นอ่ะรไไม่ไมได้อแล้วส่วนกินเนี่ยจะเป็นเนื้อสัตว์หรือจะเป็นผักหรือเป็นอะไรมัน <laughs> มได้้ปบบอออญญาาาที่นเั อย่าสร้างอย่าสร้างแล้วอย่าอย่าทำเองเท่านั้นก็ไม่บาปแล้วแต่กินนี่ไม่บาปกินเนื้อสัตว์ไม่บาปเช่นไปที่ร้านอาหารเขามีของทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงเผ็ดแกงอะไรมีเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นสั่งมากินเขาทำแล้วมันตายแล้วมันเป็นอาหารแล้วกินไม่กินมันก็มันก็มันก็มันตายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนไปทําเราไม่ได้เป็นคนไปสั่ง ถ้าเราไปสั่งพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้ก็เอาเอาเอาแกงให้มออย่างเงี้ยแกงไก่หมออย่างเงี้ยอ่ะอันนี้อาจจะมีส่วนละถ้าเขาต้องถ้าถ้าเขาต้องไปฆ่าไก่เพื่อมาเขาต้องไปจัดทำให้เราเนี่ยแต่ถ้าเข้าไปซื้อไก่ที่ตายแล้วก็แ ล, วกแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรถ้ะอาจารย์ครับแล้วอย่างพระอาจารย์บางองค์บางวัดที่คนชอบดูดวงอะไรอนยะ่างเนี้ยแล้วก็เจอเพื่อน ทางแม่ทายญาติหนุ่มชอบไปดูอะไรอย่างเนี้อย่างนั้ น, น, นดีไหมคะไม่ดีหรอก <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ฮะสอนแล้วว่าดวงของเราเป็นยังไงไม่ยอมดูกันเอง <c oughs> ดูงพวกเราก็แก่เจ็บตายไม่ดูกันให้ดูดวงนี้บ่อยๆพระเจ้าบอกถ้าอยากจะดูดวงให้ท่องอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอันนี้แหละของจริงไม่ชอบกันชอบไม่ชอบของหลอกกัน หลอกว่าเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวจะได้ผัวดีๆเดี๋ยวจะได้เมียดีๆ <c oughs> อันนี้ชอบอแล้วพอได้มาไม่ตรงที่เขาพูดก็เสียใจแทนที่จะผัวดีกับเป็นผัวไล่ไปแล้วสำนักที่ก็มีร <c oughs> ่างทรงอะไรอย่างเงี้ยอัอนี้ไม่เชื่อไเอไม่ต้องไปแล้วเ <c oughs> ชื่อพระเจ้าพอพระเจ้าสอนให้เชื่อกำเพื่อนเพื่อนชอบไปแล้วก็เสียเงินเยอะๆอันนั่นแหละเหนือก็ไม่ค่อยไปหรอก เรางพ่อค่ะยงตีก่อนใช่ไหมคะาสอคนก็แบบไปวัดไปขโคําปบๆนีเนี่ยค่ะแล้วก็ม่อยู่วันเดียวบช่วงต้นีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทไมเราต้องมาาวัดราขโมยเป็นทีแี้บวิธีการอื่นที่แบบจะาโมอะไรที่นานกว่านี้ค่ะก็เริ่มตีาฟังเพืขอนก็เขาบอกว่ามีที่จะตอน่ละสายตาไปวัดที่นา เียคะพอทำเสร็จเราก็รู้สึกตัวเองแบบเหมือนไม่มีกำลังที่จะบทสมาธวดมอนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าร่างกายเียเอใช่ไม๋อไม่ใช่ร่างกายหรอกกเราไม่มีสติพอเราต้องฝึกสร้างสติกันขึ้นมาสตินี่จะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถภาวนาได้ส ต, ต ส, ดสติก็เป็นเบรกของใจไง ใจเราชอบคิดเรื่อยเปื่อยเลยทําให้เราไม่มีกําลังที่จะทําให้ใจสงบได้เน้นเราต้องเบรคความคิดวิธีจะมีสติก็มีหลายวิธีแต่วิธีที่เราง่ายที่สุดที่เราใช้กันอยู่เรื่อยๆก็คือพุโทโธพุโทโธให้เราลองท่องพุโทโธไปทั้งวันดูสิตื่นขึ้นมาก็ลืมตาก็พุโทโธไปเลยไม่ว่าไปทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเวลามานั่งสมาธิมันจะนั่งได้นาน จะได้มันจะสงบมันจะไม่ฟุ้งมันจะไม่เครียดแต่ถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิดพอนั่งมันก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากจะไปทํานู่นทํานี่มันก็นั่งทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ไหวเขามีอช่วงนี้แบบก็รู้สึกว่าจะนั่งแบบสงบมากนะคะแล้วก็มีอยู่วน่งนั่งเสร็จแล้วมีดอกพ่อดอกปูศีลพุทธาจารย์ลอยเข้ามาหาฉันแต่ตั้งแต่นั้นหนูก็รู้สึกว่าตัวเองแตกเข้าแบบวัเดิมไม่ได้แล้ว ก็ อ, อย่าไปสนใจเวลานั่งเราเห็นอะไรมันเป็นภาพหลอกเราไม่มีมันไม่ใช่เป็นความจริงหรอก อ, อมันเป็นภาพแล้วก็รู้ว่าเป็นเป็นเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรไม่มีโทษไม่มีคุณอะไรถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเหมือนกับฝันเนี่ยนอนหลับขันไปพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดแล้วเราก็ให้อยู่กับพุตโธรไปเรื่อยๆเ ว, เวลาเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุตโธรไป Yeah. อย่าปล่อยพุทโธถ้ามีพุทโธแล้วเราจะนั่งสมาธิได้จะเดินจงกรมได้จะพิจารณาทางปัญญาได้อย่างสมมุติหนูเห็นเสร็จแ้วนต้อง ก, กําหนดไครับว่าหรู้ไม่กลับมาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องกําหนดให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวพ อ, อ, อเห็นอะไรปั๊บแล้วแสดงว่าเราไม่พุทโธแล้วต้องกลับมาหาพุทโธพุทโธหายแล้วต้องกลับมาหาพุทโธต่อให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปกําหนด คันนี้ไม่ต้องไปกำหนดรูอไม่ต้องไปอะไรทั้งสิน้นคั้นนี้ขอให้มีพุโทโธรักษาใจเพียงอย่างเดียวพุโทโธจะทำให้ใจว่างใจสงบใจเย็นใจสบายอันนี้ขั้นแรกขอให้ฝึกพุโทโธให้มากๆฝึกตั้งแต่ยังไม่ได้นั่งตอนอยากเพิ่งมานาตอนที่ตอนนั่งอย่างเดียวมันจะไม่มีกำลังเอามันทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมานี้ลืมก่อนจะลุกขึ้นจากเตีย ง, งนีลืมตาก็พุโทโธไปเลย พุโทโธไปลุกขึ้นไปเดินเข้าห้องน้ําอาบน้ำํำอาบถ่าก็พุโทโธพุโทโธไปแปรงฟันก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ยกเว้นว่าจะต้องคิดเรื่องที่จําเป็นเช่นวันนี้วันอะไรจะต้องไปทํางานที่ไหนกับใครก็คิดได้ใครรู้ว่าเราจะไปทําอะไรพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาพุโทโธต่อแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวเดิน อ, ออกเดินทางไปทํางานก็พุโทโธไปพอไปถึงที่ทํางานก็หยุดพุดโทโธแล้วก็ทํางานไป คิดเรื่องงานไปถ้าไม่ต้องคิดเรื่องงานก็กลับมาพุโทโธม่อย่าไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงแฟนคนว่าเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราเขาไปมีอะไรกับใครหรือเปล่าอย่าไปคิดให้มันเหนื่อยให้มันไปสร้างความกังวลให้แก่ใจไปหรืป่าให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปจะสบายใจกว่า แ้วพอมีเวลาว่างไม่ต้องทําอะไรก็ลองนั่งหลับตาไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้ถ้าอยู่ที่ทํางานนั่งบนโต๊ะเนี่ยอยู่ในห้องทํางานก็ปิดห้องจะไม่ใหใครมาบรบกวนแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปให้ใจสงบให้ใจนิ่งพามีบ่อยๆเข้าต่อไปมันจะชํานาญแล้วมันจะทําได้มันจะทําได้ง่ายแล้วมันจะเป็นที่พักใจเวลาใจวุ่นวายก็พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเดียวความวุ่วนวายก็จะหายไปก็คือเดินหนวกก็แบบ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าใครมาพูดอะไรว่าอะไรพูดโทรไปเลยเใช่ไม่ไปคิดถึงเขาปั๊บเดียวมันก็หายแล้วา บ, าบาปตรงไหนเราไม่ได้ไปทำอะไรเขา <c oughs> บาปมีแค่ห้าข้อเนี่ย <c oughs> แ, แต่อยากจะรู้ว่าบาปคืออะไรก็เนี่ยห้าข้อทั้งว้าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี <c oughs> โกหกหลอกลวงดื่มสุรายาวเมาแต่ <c oughs> เราไม่ได้ทำห้าข้อนี้ไม่มีบาปนะ <c oughs> กับความหว่วงคนอื่นก็ลดน้อยลงเนี่ยไม่ uh huh. บบหว่วงไม่ไม่ต้องีพิถัเอาแบบอย่างคนใกล้ตก็พ่อก็แม่กับหว่วงแล้ไปทําอะไรได้เปล่านั่นน่ะสิแล้วหว่วงไปแล้วใครทุกข์อ่ะเราก็ทุกข์ไปวะเป่า mm hmm. ใช่ไหมก็อยู่ใช้พุทธโธหยุดมั น, นแล้วต่อไปใจเราจะไม่มีความทุกข์ใจเราจะเย็นจะสบายถ้าจะคิดจะคิดไปตามความจริงว่าพ่อเราเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพ่อเราก็ไม่ใช่ของเรา แม่ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเขาก็ต้องไปจากเราคิดอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเวลาเขาไปก็จะไม่เสียใจเพราะเราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้วหรือว่าเขาต้องไปแล้วเหมือเราเตรียมเอาเงินมาทําบุญแล้วพอเอาเงินมาทําบุญเราก็ไม่เสียใจแล้วก็มีความสุขใจพอเวลาพ่อแม่ตายไปเราก็สบายใจหายห่วงไม่ต้องห่วงกันแล้วอยู่ด้วยกันห่วงกันทุกกันพอเขาตายแล้วเขาก็ไปของเขาแล้วเราก็อยู่ของเรา เราไม่มีพ่อแม่เราเราจะรู้สึกว่าสบายกว่าตอนที่มีพ่อแม่อ้าวจริงๆอลองลองเปรียบเทียบดูก็แล้วกันแต่กคงไทยมองว่าเป็นการแช่งพ่อแม่ก็อ ม, มองไปอย่างนั้นเองมันแช่งที่ไหนหรอแช่งแล้วมันเป็นได้หรือเปล่า่ะแช่งไม่แช่งมันก็ต้องตายอยู่ดีและคนเรามีใครไม่ตายบ้างพกไม่ได้คิดได้เหตุ <S <S ด้วยผลไม่ได้คิดแบบ เจะจงตั้งใจคิดคิดด้วยเหตุด้วยผลเพราางั้นเหมือนคุณแบกบ ข, ของบนบาศแล้วคุณเอาวางลงเนี่ยอันอย่างไห น, นสบายกว่ากันงงอ่ะนั่นแหละก็เวลาพ่อแม่ตายก็เหมือนก็ไม่มีคนต้องมาแบกใช่ไหมก็ไม่ต้องมีใครมันต้องเวลาพ่อแม่อยู่ต้องห่วงพ่อแม่หรเปล่าแล้วเวลาตายไปแล้วต้องห่วงหรอเปล่าใช่ไหมเวลาตายแล้วจะไปห่วงยังไงนะมันก็ห่วงไม่ได้มันก็สบายกว่านี่พูดด้วยหลัก ปลกะหลักเหตุผลไม่ได้พูดเพื่อฉเพื่อสาปเพื่อแช่งคุยกันด้วยเหตุด้วยผลให้เห็นความสุขความทุกข์ของเราว่ามันเกิดจากอะไรเข้าใจไหมเออเราทุกข์เพราะเราไปแบกเขาเพราะพราะเราลักเขาเราเราอยากให้เขาดีเราก็เลยไปแบกเขาแต่ว่าเราไม่มีเขาแล้วเราก็ไม่มีเขาจะแบกใช่ไหมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดบ่นสาปให้แช่งให้พ่อแม่ตาย ทุกคนก็อยากให้พ่อแม่อยู่ท่านานน่ะแต่มันจะนานเท่าไหร่นะมันก็ไม่เกินร้อยปีใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องสาบแช่งพูดเรื่องเหตุผลพูดเรื่องของความเป็นจริงพวกเราไม่ชอบความเป็นจริงกันชอบของหลอกกันถึงชอบไปหาหมอดูให้หลอกมเราแล้วพอไม่เป็นตามที่หมอดูบอกก็เสียใจแต่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้ามองตามความเป็นจริง พอเวลาเขาตายเราจะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันต้องเกิดแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้มันก็ไม่มีอะไรมันเราจะทำให้เรารักพอ่อรักแม่มากขึ้นเพราะเวลาเขามีเวลาอยู่น้อยเราจะได้รีบทำความดีให้กับเขาแทนที่จะรักแบบไม่ดูแลก็อย่างนี้พวกเราชอบรักแบบไม่ดูแล รักพ่อรักแม่แต่ไม่เคยไปกราบพ่อกราบแม่ไม่เคยไปหาข้าวหาของให้พ่อแม่กินให้ใช้เลยเปยนแต่ห่วงห่วงแบบปากแต่ไม่ทำอะไรให้พ่อแม่ถ้าห่วงพ่อแม่ก็ไปอยู่กับพ่อแม่เสียเี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายพ่อแม่เหนื่อยมากแล้วตอนนี้พ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วผมจะเลี้ยงพ่อแม่ทุกอย่างอันนี้พ่อแม่สองคนลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้ พ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกสิบคนได้เพราะความรักจริงๆของพ่อแม่นี่มีมากกว่าความรักของลูกต่อพ่อแม่ใช่ไหมเพราะแม่เลี้ยงลูกทุกคนเลี้ยงลูกทุกคนได้แต่ลูกสิบคนนี่เกี่ยงกันเพราะลูกสิบคนไปมีลูกมีเมียของตัวเองกลับไปรักลูกของรักลูกเมียของตัวเองมากกว่าไปรักพ่อแม่ทั้งทั้งที่ลูกเมียไม่มีไม่มีคุณป ไม่มีคุณบุญคุณเหมือนกับพ่อแม่มีกับมองไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่พ่อก mm hmm. ิเลสเพราะรักเมียพาะหาความสุขจากเมียได้แต่หาความสุขจากพ่อแม่ไม่ได้ <laughs> mm hmm. แต่ความจริงการดูแลพ่อแม่นี้ได้รับความสุขมากกว่าการดูแลลูกมี mm hmm. เพราะพ่อแม่เป็นคนมีบุญคุณกับเรา ถ้าเราได้ทําบุญกับพ่อแม่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจมีความประทับใจลูกผู้ชายอาจารย์บวชบวชให้พ่อแม่คือบุญที่สูดสุดตรงแ่ไห๋อม่หรอกมันเป็นเพียงแต่เป็นอุบายให้พ่อแม่ได้เข้าวัดทําบุญไงถ้าพ่อแม่ถ้าลูกไม่บวชพ่อแม่ก็ไม่เข้าวัดถ้าแม่เข้าวัดอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรก็ลูก ลูกก็ได้ลูกก็ได้มาเรียนรู้บุญกรรมรู้เรื่องของตัวเองว่าเ ว, วียนไหวตายเกิดอย่างไรแล้วจะ ย, ยุติการเ ว, วียนไหวตายเกิดได้อย่างไรการบวชมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าได้มาศึกษาแล้วก็จะได้ปฏิบัติวิธีการหลุดพ้นจากการเ ว, วียนไหวตายเกิดแต่ถ้าบวชแล้วศึกมันก็เหมือนกับไม่ได้อะไรมันก็ได้ตรงที่เป็นอุบายให้พ่อแม่เข้าวัดเนย่าบางคนเวลาลูกบวชนี้ ก่อนที่ลูกมาบวชนี่ไม่เคยโผล่มาเลยพอลูกมาบวชนี่มาทุกวันเลยแต่พอลูกเสือ ก, ก็หายไปเลยเหมือนกันแต่บางคนมีพ่อแม่อยู่บางคนลูกเสือกไปแล้วก็ยังมาต่อเห็นได้ประโยชน์จากการมาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาทําบุญแล้วได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วทําให้รู้สึกว่าจิตใจดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้น ความวิตกกังวลน้อยลงความวุ่นวายใจน้อยลงก็เลยมามาอยู่เป็นประจำมามากกว่าลูกอีกอันนี้ก็มีแต่บางคนนะไม่ใช่ทุกคนนี่คืออุบายที่ท่านบอกให้จับชายผ้าเหลืองกาะชายผ้าเหลืองเนี่ยถ้าลูกมาบวชพ่อแม่รักลูกห่วงลูกก็ต้องมาดูมาติดตามเมื่อมาดูมาไว้ก็ต้องมาทําบุญมาฟังเทศฟังธรรมพอได้ฟังเทศฟังธรรมก็เลยได้ความรู้ ที่ไม่รู้มาก่อนแล้วพอเอาไปปฏิบัติก็ได้ความสุขใจความสบายใจมากขึ้นความทุกข์ใจความวุ่นวายใจน้อยลงก็เลยติดใจก็เลย ม, มาปฏิบัติต่อการปฏิบัติอย่างนี้ทาให้ใจเป็นสุขเป็นสวรรค์ขึ้นมาเขาเรียวกว่าเกาะชายพาเหรงไปสวรรค์อาจารย์ถ่า ย, ายการบวชแบบทั่วไปที่เห็นันสมัยนี้จัดงานเลี้ยงใหญ่งตแล้วก็บวชตามรูปแบบ ทำฝันน้าบวชเจ็ดวันศึกไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของสังคมไงก็เหมือนงานแต่งงานทได้บุญไหมครับคนบวชครับฮะคนบวยเขาก็ถ้าเขาเป็นเงินของเขาเขาก็ได้บุญน่ะแต่เขาก็เถิวเป็นการทําทานคุณจัดงานเลี้ยงนี่คนก็เหมือนกับเลี้ยงทานคนก็เป็นการทําบุญทําทานคนไม่ไดบุญจากการบวชเป็นพระคนบวชได้ถ้าคนบวชรักษาศีลก็ได้บุญัครบ ออาบวัก็ต้องรักษาท่าะถ้าเราเป็นผีแต่วาชาหน้านี้เราอธิฐานเราอยาบวชเป็นพระให้เราทํายังไงให้จิตมันเป็นเป็นเป็นพระให้ได้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็บวชได้ก็ปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็ไปถือศีลแปดก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้ว่ยังเคยบวชีแล้วแต่ว่ามันต้องมีอุปสรรคแบบผู้หญิงนะฮะทีนี้ก็ ก็คือคุณแม่จิตยังไม่ถึงขั้นหนึงหลุดออกมาได้คือจิตจิตนั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายหรอกจิตนั้นมีกิเลสเหมือนกันนะแล้วถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ฆากิเลสได้เหมือนกันมันมันไม่ได้อยู่ฮะได้ไม่ต้องอธิษฐานเราก็ทําเดี๋ยวนี้คําว่าอธิษฐานคือความตั้งใจแต่เราไปแปลความหมายผิดคําว่าอธิษฐานเราไปแปลว่าขอ คามจริงความหมายคือให้เราตั้งใจทําในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอยากจะบวชก็บวชเลยเสรไม่ไปขอที่ฐานรอมันทําไมว่าพรุ่งนี้จะบวชแล้วจะถือศีลแปไปตลอดชีวิตนี่ก็เรียกว่าอธิฐานแล้วได้เป็นนักบวชแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าเลยเรากลับมาชาติหน้าไม่รู้จะมพีพระพุทธศาสนามาสอนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาตินี้มีพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์มีผู้รู้ นำทางเราเรากลับไปห่วงสัตว์แทนที่จะห่วงตัวเราเนี่ยตอนนี้โอกาสดีบวญเลยเนี่ยพวกนี้บวญเลยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะถือศีลแปไปตลอดชีวิตนี่ก็ถือว่าบวญแล้วยังสู้กิเลไม่ได้ อ้าวจะให้พรก่อนนะเพราะว่าเวลาพอสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวที่เหลือเวลาจะให้พวกทางบ้านที่ก็รอคําคคถามส่งคําถามเข้ามา <Yeah. S 1> อ่าวเขาว่ามาเลยใครอยากจะอยู่ฟังก็อยู่นะใครอยากจะไปก็ได้นะไม่ได้บังคับ เวลานั่งสมาธิให้กําหนดอย่างไรเอาความรู้สึกไว้ที่ไหนก็ต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุทธโธก็ให้<ม>ท่องพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปอยู่ที่ปลายจมูกหรือดูที่หน้าอกก็ได้แล้วแต่ถนัดบางคนชอบที่หน้าอกหน้าท้องก็ยุบหนอพองหนอ หายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบถ้าอยู่ที่ปลายจมูกก็ให้รู้ว่าลมออลมเข้าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราหยุดความคิดได้เรากอดติดอยู่กับลมและอยู่กับพุทโธได้เดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขใจจะเบาจะสบายใจอิ่มจะเหมือนกับอยู่ในสวรรค์ ข้อสองเวลานั่งความรู้สึกว่าตัวเองใหญ่มากบางครั้งร่างกายกระตุกจนต้องลืมตาบางครั้งเห็นคนที่ไม่รู้จักแผ่เมตตาได้ไหมคะเห็นคนที่ไม่รู้จักแผ่เมตตาได้ได้ให้แผ่ทุกคนคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักถ้าเราเจอกันก็ควรที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาทยกันสนทนาถามถามสารทุกข์สุขดกันสบายดีเลอ มีขนมอะไรก็แบ่งกันมีของอะไรก็แบ่งกันไปเรียกว่าการแผ่เมตตาให้แผ่กับได้ทุกมนุษย์ทุกสัตว์เจอหมาก็มีข้าวก็ให้มันกินคือให้มีการแบ่งปันกันมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วก็เบื้องตึงแยกเขี่ยวสายกันด่ากันเลยว่ากันเลย อันนี้เรียกว่าไม่แผลเมตามตาแผ่ความโกรธเราต้องการแผ่ความเมตตาคือความไม่โกรธอาว่ามาเวลาเดินกำหนดอย่างไรก็เหมือนกับเวลานั่งถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆถ้าถ้าจะใช้เท้าก็ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปคาถามจากคุณสยาถ้าเราเจอคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเรา ควรทําอย่างไรกับคนพวกนี้ดีคะก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปเอาร่าเอาเปรียบไปแล้วกันควรจะเอาเอาเอาเอาเอ า, เอาแบบฉบับที่ไม่ดีมาสอนใจเราว่านี่เป็นวิธีที่ไม่ดีวิธีที่คนก็รังเกียจถ้าเราไม่อยากจะให้คนอื่นรังเกียจเราก็อย่าทําเป็นเราก็อย่าไปทําแบบเขาส่วนเขาจะทำแล้วหรือไม่ทํานี่เราไปห้ามก็ไม่ได้เราอย่าไปยุ่งอย่าไปสอนเขา เดียวจะเกิดเรื่องขึ้นมาปล่อยเขาไปเพีงแต่ดูแล้วเอามาเป็นบทเรียนสอนใจแต่เห็นตัวอย่างที่ดีก็เอามาเอามาทําเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ก็อย่าเอามาทําคําถามจากคุณสุพินดาช่วงนี้มีความกังวลเรื่องงานจนทุกข์ค่ะพอทําสมาธินานพอก็จะรู้สึกมีความสุขสักพักความสุข ก, ก็คลายความทุกข์กลับมาใหม่ ในวันหนึ่งใจจะสวิงอย่างรุนแรงระหว่างความทุกข์กับความสุขซึ่งเกิดในขณะที่หนูก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วใจมันไปสุขบ้างทุกบ้างของมันเองรู้สึกว่าทำไมมันถึงสวิงรุนแรงขนาดนี้มันปกติหรือเปล่าคะมันเพราะสติของเราไม่ต่อเนื่องเวลาที่มีสติมันก็จะสงบในความสุขเวลาเผลอสติมันก็จะไปคิดฟุ้งซ่านมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นังต้องหมั่นพยายามเจริญสติให้มากๆให้มีสติอย่างต่อเนื่องเหมือนรถเนี่ยรถถ้าเราเหยียบเบรคมันก็จะไม่วิ่งพอเราปล่อยเบรคมันก็จะวิ่งคมถามจากคุณสุขใจเราทําความรู้สึกตัวแล้วบุญเกิดขึ้นเหมือนกับการนั่งทําสมาธิใหม่คะและทําความรู้สึกตัวเราได้บุญอย่างไรหรือคะถ้าเราทําใจให้นิ่งให้สงบได้มันก็เป็นบุญไงบุญสูงสุดก็บุญที่เกิดจากความสงบนี่แหละ เพีงแต่ว่าเราจะทำใจให้นิ่งให้สงบได้หรือเปล่าคาถามจากคุณจุมพ์อยากทราบวิธีทำสมาธิแบบง่ายๆครับพุโทโธพุทโธไปคาถามจากคุณบุตรพะพุทธนั่งสมาธิแล้วชอบพูดหลับจะแก้ไขอย่างไรคะลุกขึ้นมาเดินค <laughs> าถามจากคุณอานวยผมนั่งภาวนาผมเห็นความคิดมันเกิดขึ้นมาเรื่องนี้จบ เรื่องใหม่ผุดขึ้นมาต่อคอรับผมเห็นว่าความคิดไม่ใช่ของของเราเราควบคุมมันไม่ได้เราควรจะทําอย่างไรถ้าความคิดมันผุดขึ้นมาอีกครับเราใช้พุโทโธถ้าเราใช้พุทธโทมันก็จะผุดขึ้นมาไม่ได้คําถามจากคุณพัชราการเจริญสติคือการรู้สึกตัวใช่ไหมคะ ฝึกรู้ทันสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆจิตจะเฉยๆคนใกล้ชิดมองว่าเราประหลาดเราไปห้ามเขาไม่ได้ว่าเขาจะมองเราประหลาดหรือไม่ประหลาดถ้าเราสงบเรามีความสุขก็ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราส่วนคนอื่นเขาอยากจะให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายเราก็อย่าไปสนใจถ้าเราคิดว่าการไม่ประหลาดคือให้เราต้องวุ่นวายเหมือนเขาเราก็อย่าไป เ ร, เรายอมเป็นคนประหลาดดีกว่าดีก็เป็นคนที่ไม่ประหลาดคนไม่ประหลาดแล้วทุกข์กับคนที่ประหลาดแล้วไม่ทุกข์คนไหนจะดีกว่ากันคําถามจากคุณขวัญการไม่อยากอยู่คนเดียวอธิษฐานขอให้มีคู่ที่ดีเพื่อไว้ดูแลกันทางโลกทางธรรมแบบนี้ได้ไหมคะตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดดูแลแม่และน้องมาตลอดจนตอนนี้ยังไม่มีคู่ไม่อยากอยู่คนเดียวค่ะเราคิดแบบนี้ได้ไหมคะ คิดได้แต่จะได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่อธิฐานถ้าอยากจะได้ต้องรีบไปหาเขาไปในเว็บไซต์ที่เข า, าจัดหาคู่ให้ <laughs> <laughs> ท่านนี่ช่วงแรกมีคนเข้ามาเท่าไหร่นะบวเมื่อกี้ดูดูก็ปั่มช่วงแรกลืมดูค่ะพ่อจำลืมดูช่วงนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้ว ช่วงนี้สองร้อยกว่าคนค่ะสองกว่านะแต่คุณณ์นะคะมีข้อข้องใจว่าแป้งทาตัวเวลารักษาสิ่งแปดใช้ได้หรือไม่คะแล้วแต่ทาเพื่ออะไรถ้าทาเพื่อรักษาร่างกายนี้ใช้ได้ถ้าใช้เป็นยาใช้ได้ถ้าใช้เป็นเครื่องสำอางก็ใช้ไม่ได้ถ้าใช้เพื่อให้เรามีความสุขจากแป้ ง, งนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าใช้รักษาผืผ่นคันอะไรนี้ใช้ได้ จากคุณปัราดาค่ะระหว่างดูลมหายใจกับใช้คําว่าพุทโธเราจะเลือกวิธีไหนสําหรับผู้ฝึกใหม่คะเราชอบมาไหนเราก็ใช้อันนั้นใช้ได้ทั้งคู่อย่างได้อย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะถนัดเราชอบพุทโธเราก็พุทโธไปเราชอบดูลมเราก็ดูดูลมไปคำถามจากคุณอําพลผมขับรถมอเตอร์ไซค์ชนชนรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตผมทําบุญให้เขาแล้ว จะรู้ได้อย่างไรครับว่าเขาได้รับบุญที่ผมทำให้ก็ไม่รู้หรอกเพราะถ้าถ้าเขาไม่มาบอกเราทางนี้มีใครอยากจะถามก็เสริมเข้ามาได้นะว่าอาจารย์พักบนนี้โอ้อย่าถามเลยเร่งถามเรื่องธรรมะดีกว่าเสียเวลา เคํ า, าถามจากคุณชัชวานเวลานั่งภาวนาลมหายใจมันเร็วขึ้นเรื่อยๆครับมันเร็วก็เรู้ว่ามันเร็วก็แล้วกันมันช้าก็เรูกว่ามันช้ า, มชาไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราไม่ต้องการมาควบคุมลมเราต้องการใช้ลมไปที่เกาะใจเท่านั้องันั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปบังคับลมคําถามจากคุณฟ้าใสายอยากสอบถามพระอาจารย์ค่ะอาการติดแท่ง <c oughs> <c oughs> ใ ช, ใช้อาการที่เราเห็นสีในเปลือกตาวิ่งไปมาหรือเปล่าคะแล้วผิดวิธีการนั่งสมาธิใหม่คะ เ, เราไม่เราไม่ดูของพวกนี้หรอกเราใช้ดูลมแล้ใช้พุโทโธอย่าไปดูเปลือกตาอยู่ไม่ดูสีอะไรในนั่นเลยมันยุ่งยากเอาง่ายๆดีกว่าดูลมหรือพุโทโธพุทโธไปคำถามจากคุณแม่มด วันพระไม่ได้ไปวัดจะรักษาสินแปดต้องอาราธานาสินไหมคะถ้าเรารู้ว่าสินแปดคืออะไรเราก็ไม่ต้องอาราธานาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไปว่าวันนี้จะรักษาสินแปดข้อนี้แล้วก็พอตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็รักษาไปคำถามจากคุณอันนกนั่งภาวนาด้วยการฟังเทศพระอาจารย์ไปด้วยถือเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาครับ เป็นภาวนานอนเพราะมันจะหลับเวลาภาวนาก็ไม่นิยมทำในท่านอนเพราะว่ามันจะเสาะสติได้ง่ายแล้วมันจะหลับแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์จากการภาวนาเราจึงนิยมอยู่ในท่านั่งกันอาจารย์คะขออนุญาตค่ะเขาบอกคนนั่งภาวนาแล้วฟังเทศไปด้วยค่ะนั่งภาวนาแล้วฟังเทศไปด้วยจะเป็นสมถะหรือวิปัสนาภาวนาค่ะ ก็อยู่ที่ว่าเราภาวนาหรือเราฟังเทศเนี่ยถ้าเราภาวนาพุโทโธพุโทโธมันก็จะเป็นสมถะไปถ้าเราฟังเทศแล้วเราเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นวิปัสสนาเป็นวิปันาคำถามจากคุณคุณลักษณะของจิตที่รวมเป็นอย่างไรคะแล้วทางเดินหลังจากจิตที่รวมแล้วจะต้องทําอย่างไรต่อคะเอลจิตรวมนี้มันจะมีความสุขมากมันจะอยู่ในความว่าง ปราศจากความคิดปรุงแต่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อุเบกขาแลอเวลาออกจากออกจากความสงบได้มาก็ถ้ายังไม่ชํานาญก็ให้เจริญสติต่อไปเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปใหม่ถ้ามีสติแล้วก็จะกลับเข้าไปได้จนกว่าเราจะชนานาญถ้าเราเข้าในสมาธิได้ทุกครั้งแล้วต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิเราก็มาเจริญปัญญาได้ มาพิจารณาร่างกายของเราเรือพิจารณาร่างกายของคนอื่นว่าไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องตายเพื่อเราจะได้ปล่อยวางที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราเราไม่ปล่อยวางเพราะเราคิดว่าเขาเที่ยงเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราเป็นนานอ่อวันี้เราต้องคิดว่าไม่แน่นะวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไปก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเวลาเขาไปเราจะได้ไม่ทุกข์นีเรียกว่าพิจารณาอ น, นิจจังไม่มีอะไรแน่ น, นอน เราจะพิจารณาว่าเป็นอนัตตาก็ได้ว่าเขาไม่ใช่เป็นของเรานะเราเพียงแต่ยืมเข้ามาเดี๋ยวเจ้าของก็จะมาเอาคืนไปเขาจะมาเอาคืนไปเมื่อไหร่ก็เราก็ไม่รู้งั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะคืนเขาได้ทุกเวลาถ้าเราพร้อมที่จะคืนแล้วเราจะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาคําถามจากคุณฟุกในพระพุทธทศาสนามีกี่นิกายครับที่ผมทราบคือมหานิกายกับธรรมยุทธ ส่วนที่ญี่ปุ่นสามารถมีครอบครัวหรือขับรถได้ถือเป็นนิกายแต่ไม่ใช่พระพุทธพระพุทธศาสนาหรือเป็นพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับคือพระพุทธศาสนานีท่านก็แยกเป็นสองนิกายใหญ่หญคือหลังจากที่พระจ้าจากไปแล้วพระก็เริ่มมีความเห็นในการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันพระพวกที่ไปเผยแผ่ธรรมทางเหนือของอินเดีย ไปในปานไปที่เบตไปจีนนี่เขาก็เป็นมหายานไปเขาจะมีวิธีต่างกับพวกที่มาทางใต้มาทางศีลังกามาทางพมา่ามาทางประเทศไทยนี่พวกนี้จะเรียกว่าเถละว่าด้วยหินนายานนี่คือนิกายใหญ่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าได้จากไปแล้วแต่ในนิกายนี้เขาก็มีแยกเป็นนิกายย่อยไป นิกายของที่เบตก็อย่างหนึ่งนิกายของเนปาลก็อย่างนิกายของเกาหลีของจีนก็อย่างมันก็แตกไปเป็นแขนงเหมือนกับใบไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยทางเทรวาสเราก็แยกกันไปมาศรีรังกาเขาก็มีหลายนิกายไปพมา่าเขาก็มีหลายนิกายมาเมืองไทยเราก็มีหลายหลายนิกายมันก็แตกแยกเก่งก้านไปเหมือนกับต้นไม้เนี่แต่โดยหลักแล้วมันก็เหมือนกันคือทำคําสอนพระเจ้าเจ้าก็อันเดียวกัน คือทำทานรักษาศีลภาวนาเหมือนกันแต่วิธีการอาจจะมีแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นที่ไม่ไม่ตรงกันรายละเอียดต้องไปศึกษาดูเอาเองก็แล้วกันคําถามจากคุณมดลักษณะของจิตที่เป็นอุเบกขาคือจิตที่ปราศจากความผิดความคิดมีแต่ผู้รู้ไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมเจ้าคะอ่าแล้วเป็นจิตที่ไม่มีความรักความชางังความกลัวความหลงใจเป็นกลางไม่รักไม่ชงังไม่กลัวไม่หลง คำถามจากคุณนพมาศครั้งหนึ่งนั่งสมาธิสักยี่สิบนาทีเกิดสัมผัสรู้สึกถึงมวลพลังงานหมุนๆลอยคลุมเหนือหัวศีรษะไม่ทราบคือสิ่งใดเจ้าคะออไม่ต้องไปสนใจละเราไม่ต้องการมันอาจจะเป็นอาการของจิตสร้างขึ้นมาเราไม่ต้องไปให้ความสําคัญเราต้องการความสงบถ้าจิตยังไม่สงบเราก็พุโทโธต่อไปเื่อดูลมต่อไปจนกว่ามันจะสงบ สิ่งต่างๆที่มาปรากฏนี้มันมีหลากหลายบางคนก็แน่นหน้า อ, อกตึงที่ศีรษะบางคนก็เห็นแสงเห็นเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้รู้นี่อย่าไปสนใจมันมันเป็นภาพลวงภาพหลอกที่จะทําทให้เราเสียสมาธิเราอย่าไปสนใจให้เราเกาะติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะหายไปหมดแล้วมันจะสงบคําถามจากคุณกันนัฐฐานมนต์ บุญจากการทำสมาธิอุทิศให้สรรพสัตว์ให้ได้รับได้ทุกภพหรือไม่คะไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญเกี่ยวจากสมาธิต้องทำกันเองดังนั้นเราก็ส่งให้ญาติโย ม, มแล้วเนี่ยให้จิตสงบกันทุกคนญาติโยมจะได้ไม่ต้องนั่งสมาธิทำแทนกันไม่ได้สมาธิปัญญานี่ทำแทนกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ได้อย่างเดียวก็คือทาน ทำบุญทำทานแล้วนี่แบ่งแบ่งบุญที่เราทํานี้ไปให้กับผู้ร่วงรับได้ล่วนั้นทําไม่ได้คาถามจากคุณอัจฉราถ้าเรารู้ตัวว่าหงุดหงิดแต่ระงับไว้ไม่ได้นี่เรารู้ทันไหมคะหรือเป็นการเถิดสติใหม่กร็รู้รู้รู้แต่ยังไม่ทันจะให้มันทันก็ต้องใช้พุทโธหยุดมัน พอพอรู้ว่ามันหงุดหงิดแล้วก็พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความหงุดหงิดก็หายไปเราก็จะทันมันคือเราต้องหยุดมันเราถึงจะเรียกว่ารู้ทันถ้ารู้เราหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่ายังรู้ไม่ทันมันยังเร็วกว่าเราเราก็ต้องหยุดมันเราเราต้องตามมันตามด้วยพุทโธพอมันหงุดหงิดก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิดเดี๋ยวมันก็หายหายหงุดหงิดไปแต่ต้องรู้ก่อนว่าเราหงุดหงิด บางทีบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําลว่าตัวเองหงุดหงิดใบอารวาใส่คนนั้นใส่คนนี้แสดงว่าไม่มีสติเลยไม่รู้เลยต้องรู้ก่อนแล้วถ้าจะให้มันทันก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันถ้าหยุดมันก็แสดงว่าทันมันถ้ายังหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ทันมันมันยังเร็วกว่ามันยังหุดหงิดอยู่ก็ต้องพุทโธต้องไล่มันต่อไปและให้มันทันมันจนกว่ามันจะหยุดนะมันก็จะหายหงุดหงิดคำถามจากคุณบิบูล เวลานอนหลับจิตเราไปอยู่ที่ไหนครับเราสามารถรู้จิตตลอดเวลาได้หรือเปล่าครับจิตมีการพักผ่อนหรือเปล่าครับเวลาเรานอนหลับนี่จิตเราก็อยู่ที่เดิมเหมือนกับตอนที่เราตื่นตอนนี้จิตมันไม่ได้ไปไหนจิตมันอยู่ในโลกทิพย์เองแต่ว่าเวลานอนหลับนี้จิตมันก็ไปตามเรื่องของมันไม่มีใครควบคุมเหมือนรถที่ไม่มีคนขับมันก็จะขับของมันเองอ มันก็จะมีบุญมีบาปเป็นตัวขับไปถ้าฝันดีก็แสดงว่าบุญขับไปถ้าฝันร้ายก็แสดงว่าบาปขับไปคำถามจากคุณแอร์นับสมาธิแล้วเกิดคิดกลัวผีขึ้นมามีวิธีไหนดับความคิดนี้ได้ไหมครับผมก็ท่องพุโทโธไปท่องพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราคิดคิดอยู่กับพุโทโธไปล้วเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะหายไป หมดได้ยังยังค่ ะ, ะคำถามจากคุณเจเดตคือตอนนี้ผมบวชอยู่และฝึกปฏิบัติมาสามพรรษาแล้วรู้ว่านี่นี่แหละคือสิ่งถูกต้องแต่บางทีก็ยังเป็นห่วงโยมแม่อยู่เพราะโยมแม่อยู่คนเดียวอายุเก้าสิบแล้วแต่ผมก็ไปดูแลเรื่อยๆแต่โยมแม่ก็ยังคอยส่งข้าว ห่วงข้าอยู่แต่พี่สาวอยู่คนละครอบครัวกันบางทีก็อดเป็นห่วงไม่ได้ผมยังไม่อยากศึกเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ลึกๆว่าคิดอยู่ว่าทําถูกหรือเปล่าก็าพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายจะห่วงไม่ห่วงก็ต้องตายห่วงไปก็ตายไม่ห่วงก็ตายห่วงแล้วทุกข์ไม่ห่วงก็ไม่ทุกข์งั้นอย่าไปห่วงดูแลกันได้ แต่ไม่ต้องห่วงห่วงก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คำถามจากคุณทัชพันธ์ท้อค่ะทำไงดีพุดโทรไปนะถ้ดท้อก็พุดโทรไปเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วก็หายท้อปล่อยใจสงบแล้วก็หายท้อ คำถามจากคุณโอ๋การนั่งสมาธิเมื่อจิตรวมแล้วบางครั้งอยากถอนจิตออกมาแต่จิตไม่ยอมออกต้องรอให้จิตถอนออกมาเองขอเรียนถามว่าหากบังคับจิตให้ถอนออกมาเมื่อมีเหตุจําเป็นจะเกิดผลเสียต่อการปฏิบัติหรือไม่คะเช่นบางครั้งเดินตามถนนอยู่ๆจิตก็รวมค่ะต้องหยุดนิ่งๆค่อยถอนออกมาอ๋อถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องควบคุมอย่าให้มันรวม เพราะว่าถ้าเกิดมันรวมแล้วมันก็อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายได้แต่ถ้าไม่กลัวอยากจะให้ปล่อยวางร่างกายได้ก็ปล่อยมันไปให้จิตรวมดีกว่าพราะการจะให้จิตรวมนี่มันไม่ใช่เป็นของง่ายกลัวกลัวมันไม่ใช่จิตรวมมันัวจะเป็นจิตหลับดีมากกว่า <c oughs> <c oughs> อ่าอ่างคนเมาเล่าเดินคำ <c oughs> ถ, ถามจากคุณวนิดา คนที่เรารักพอมีอีกคนเข้ามาก็คิดร้ายพูดให้ร้ายเราทั้งที่เรามีแต่เมตตาให้เขาและหงห์ศีก ร, รมให้เขาไม่ทราบว่าจะขาดจากกรรมนั้นไหมคะก็จนกว่าเขาจะเลิอกอะแต่ก็ยังไม่เลิกก็ยังยังไม่หมดคำถามจากคุณอ้วนจิตสงบนิ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้นั่งสมาธิแต่ตามดูตามรู้จิตตลอดปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ ก็ว่าเวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าเวลาเกิดความอยากแล้วก็ไปทำตามความอยากก็แสดงว่าไม่ไม่เป็นประโยชน์การดูจิต ด, ดูจิตการที่จะให้จิตสงบนี้ก็เพื่อให้มันหยุดความอยากแต่ถ้ามันเมื่อเกิดความอยากแล้วไปทำตามความอยากก็แสดงว่าไม่มีประโยชน์อะไรการมีจิตให้นิ่งให้สงบนี้ก็เพื่อที่จะทำลายความอยากต่าง เวลาเกิดความอยากก็ต้องฝืนมันให้ได้ถึงจะเกิดประโยชน์เพราะความอยากนี่เป็นตัวที่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆคาถามจากคุณสิริวัลเวลาเรานอนเราต้องนอนท่าสีหาักสยานทายากไหมคะคะอาจารย์แล้วต้องฝึกยังไงคะก็ลองทำดูเลยสีหสาส ย, ยาน ก, ก็นอนตะแคงขวานอนแบบราชสีอันนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเพราะว่าจะได้นอนไม่นาน นอนพอร่างกายได้พักผ่อนก็จะเติบ ข, ขึ้นมาจะได้ลุก ข, ขึ้นมาถ้านอนแบบถ้านอนหงายนี่มันนอนเหมือนคนตายมันก็จะนอนยาวเขาจะนี่นอนท่าสีหาสายญาติส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนักบวชบวชพรจะปฏิบัติก็จะนอนอย่างนี้คำถามจากคุณธานกิจมีครั้งหนึ่งผมนั่งสมาธิวันนั้นจําได้ว่าไม่สบาย เป็นหวัดมีน้ำมูกตลอดเวลาปวดเนื้อตัวตลอดในขณะนั่งพอนั่งไปนานๆรู้สึกจิตสงบและลุกขึ้นสบายตัวพอออกจากสมาธิหายหวัดเนื้อตัวปวดหายไปที่เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรครับก็เรียกว่าธรรมโอสถธรรมบำบัดพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านไม่มียารักษาโรคเวลาท่านเป็นไข้ท่านก็จะนั่งสมาธิกันพอจิตสงบแล้วพอถอนออมาไข้ก็จะหายไป คำถามจากคุณพัชราเวลาหงุดหงิดแล้วพุทโทพุทธโทไล่ไปจะเป็นการกดมันไว้ไหมคะไม่กดหรอกเป็นการเอาพุโทโธมาแทนความคิดที่หงุดหงิดพ อ, อความคิดหงุดหงิดถูกพุโทโธทดมาแทนที่ความหงุดหงิดก็จะหายไปคำ ถ, ถามจากคุณชนกไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิแต่ชอบอ่านหนังสือและฟังธรร ม, มะได้ที่เรณาตามอย่างนี้ได้ไหมครับ ก็เป็นขั้นต้นนะในที่สุดก็ต้องไปสู่การนั่งสมาธิต่อไปถ้าไม่นั่งก็จะไม่ก้าวหน้าก็จะเพลงแต่รู้แต่ทำไม่ได้การฟังเทศฟังธรรมการนังสือนี่เป็นการเรียนวิธีนั่งสมาธิวิธีทำใจให้สงบเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องเอาไปทำมันถึงจะได้ผลคำถามจากคุณพานุพนันธ์ เมื่อเวลาสวดมนต์แล้วเกิดขนลุกขึ้นมาบ่อยครั้งในบางบทหมายความว่าอย่างไรครับก็จิตเราก็มีปิติมีความสุขมีความซาบซึ้งกับบทที่เราได้สวดก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดีใจหรือเสียใจให้เราสวดต่อไปคำถามจากคุณสมาร์การรู้จิตรู้นึกความ ความนึกคิดของผู้อื่นถือเป็นโลกิยะหรือโลกุตตะลักครับจิตแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็มันเป็นความสามารถพิเศษของจิตมีบางครั้งก็ไปรับกระแสจิตรับกระแสความคิดของผู้อื่นได้ก็เหมือนสมัยนี้คนเขาเข้าไปแฮกในเครื่องคอมของคนอื่นได้มันก็เป็นความสามารถพิเศษแต่มันก็ไม่ได้เป็นความความสามารถที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ไม่ถือว่าเป็นโลกุตตะระโลกุตตะระก็คือหลุดพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโลกิยะก็คือยังอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่การรู้ความคิดของผู้นี้ยังทําให้เราติดอยู่ในโลกิยะอยู่ยังไม่เป็นโลกุตตะระสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากโลกุตตะระก็คือต้องรู้ตายรักรู้ว่านีิจังทุกขังอนัตตาคําถามจากคุณแอร์ ผมทำงานพร้อมกับการบริกรรมพุโทโธควบคู่ไปด้วยทำให้สนใจแต่พุโทโธมากกว่างานที่กำลังทำอยู่แบบนี้ผมยังมีสติไหมครับอันนี้มันมีสติแต่มันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกเพราะว่าเวลาทางานนี้เราต้องมีสติอยู่การทำงานเพราะถ้าเราทำงานแล้วไม่มีสติเดี๋ยวงานจะผิดพลาดได้แล้วจะเกิดโทษกับเราคืออาจจะถูกเขาไล่ออกได้ เห็นถ้าเราทำงานเราก็ต้องมีสติอยู่ที่ทำงานแต่ถ้าเราไม่ทำงานก็ให้มีสติอยู่กบพุโทโธจะดีคำถามจากคุณกูลจิตของอาหารหันที่ท่านมรณภาพแล้วเป็นอย่างไรต่อคะก็เป็นเหมือนตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพจิตของท่านไม่มีโรคกดหลงไม่มีความอยากไม่มีการที่จะมาหาร่างกายอันใหม่เวลาร่างกายอันนี้ตายไปแล้วท่านก็หยุด ท่านก็ไม่มีร่างกายใหม่แต่ท่านจิตของท่านก็ยังเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่เหมือนกับพวกเราที่อยู่ต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่หมแล้วแหละคําถามจากคุณจุมพศ การนั่งสมาธินิ่งสิบนาทีกับการนั่งและฟุงสร้างหนึ่งชั่วโมงอันไหนดีกว่าครับ อ, อ๋อนิ่งมันต้องดีกว่าแน่นอนฟุ้งร้างมันจะดีตรงไหนแต่กามันจะการมันจะนิ่งได้มาจจะฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งใบสักพักหึงก่อนก็ได้เพราะช่วงใหม่ๆนี่มันจะต่อสู้กันระหว่างพุโทโธกับความคิดแต่ถ้าพุโทโธมีกําลังมากกว่าเดี๋ยวความฟุ้งก็หายไปแล้วความนิ่งก็จะเกิดขึ้นมา คำถามจากคุณนูนจะสอนลูกเลือกสีห้าให้เข้าใจง่ายๆอย่างไรเจ้าคะลูกหาก้าขวบสนใจมากคะ่ะเราก็ทำเป็นตัวอย่างลูกก็เห็นเราทำอะไรเขาก็จะทำตามเราอย่าเป็นแม่ปลูสอนลูกปูกสอนลูกอย่ากโกหกแล้วแม่ก็โกหกตอแหลอย่างนี้สอนลูกอย่าเดมนสุราแล้วแม่ก็เดินกึกึ๊กอนี้สอนด้วยตัวอย่างสอนด้วยการกระทาของเรา คำถามต่อไปจากคุณออสตาค่ะเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาทางปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความว่างความสว่างแต่เกิดแค่ชั่วขณะที่นั่งภาวนาครับคือความริงเวลานั่งแล้วจิตสงบนี่มันยังไม่ควรจะพิจารณาให้มันว่างให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาแล้วพอมันมาคิดเรื่องต่างๆก็ใช้ปัญญาคิดทางปัญญาว่าทุกอย่างเป็นตายดักไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา ถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์อันนี้ให้คิดเหรอนี้พวกเราจะได้ปล่อยวางคำถามจากคุณเต้วพอเวลาภาวนาไปแล้วเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเวลาตื่นเช้ามาเหมือนไม่ได้นอนหรืออาการเหมือนนอนไม่พอเจ้าค่ะโดยปกติชอบเจ็บปวดตามจุดต่างๆของร่างกายไม่สบายอยู่บ่อยๆสลับกันไปแล้วเป็นแล้วก็หายอย่างนี้เราพิจารณาตามความเจ็บปวดของเราไปด้วย หรือภาวนาแต่พุทโธไปดีคะเพราะเหมือนขึ้นหลับขึ้นตื่นตลอดเวลาก็ขอให้เราปล่อยวางอย่าไปทุกข์กับมันทุกข์กับอาการต่างๆมันเจ็บ ก, ก็ปล่อยว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายเราไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนร่างกายคําถามจากคุณพิมพงศ์ทานทานเป็นฐานของศีลอย่างไรครับถ้าหักจากใช้ใจ่ายแล้วไม่กล้าให้จนหมดแบบนี้ศีลบ ร, ริสุทธิทธ์ไหมครับ คนทำทานนี้จะเป็นคนที่มีเป็นคนใจบุญคนเมตตาคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นก็จะทําให้การรักษาศีลนี้ทําได้อย่างง่ายดายเพราะศีลก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่คนที่ไม่ทําทานนี้แสดงว่ายังมีความโลภมีความเห็นแก่ตัวอยู่อยากจะทําอะไรเพื่อให้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็จะไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นคนไม่ทําทานนี้จึงรักษาศีลได้ยาก คนทที่ทําทานคําถามจากคุณศักด์สวดมนต์บทสั้นๆมีผลต่างอย่างไรกับสวดมนต์บทยาวๆครับอันนี้ส่งได้เท่ากันหรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าส่วนแล้วสงบหรือไม่สงบบางคนสวดสั้นแล้วสงบบางคนสวดยาวแล้วสงบก็อยู่ที่อยู่ที่ผลว่าสงบหรือไม่สงบบางคนไม่ใช้คําเดียวใช้พูดโทก็ได้อันนี้แล้วแต่จิตของแต่ละคนที่จะเลือกเอาว่า ส่วนแบบไหนดีส่วนแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลคำถามจากคุณมัปรองพอนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเบาขนาดนั่งโลง่งไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเจ้าคะถ้านั่งนั่งเบาแล้วโล่งก็เอว่าจิตก็เริ่มสงบแล้ ว, ลวก็ทำต่อไปนั่งต่อไป ตากล้องไม่พร้ยอมแ ผ, แผนกล้องเลยปล่อยให้มันนิ่งเฉยช่วยอ่านั่งเด็กคนดูก็จะได้ไม่เบื่อเ ห, เห็นแต่หน้าเราอย่างเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าบ้างให้ให้ดูหน้าตาคนที่เขามาร่วมบุญด้วยแพนแล้วแช่ทิ้งไว้สักพักก็ได้เดี๋ยวก็แผนไปหน่อยเปลี่ยนไปหมดแล้วยังหนูใกล้จะสี่โมงแล้วหมดแล้วเหรออก็ดีอ่า